จริงๆเวลาเราจํากัดข้อมูลที่ซึ่งจําเป็นในการที่เราจะรู้ในภาษาศาสนาเนี่อรู้ค่อนข้างมีเยอะโดยเฉพาะถ้าเราจะศึกษาคําสอนของพระเจ้าในเชิงลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยจริงๆอยากจะให้พวกเราได้รู้มุมแบบนี้ด้วยซ้ำไปทุกเรื่องนะนะที่ยกเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่เรารู้แบบ ธรรมดาทั่วๆไปกับการเจาะเชิงลึกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราเราควรจะรู้กันได้ซ้งไปแต่ว่าถ้าจะไปรู้ทั้งหมดมันก็คงจะเป็นไปค่อนข้างยากแต่สิ่งที่ควรรู้ในรายละเอียดว่าเราปรารถนาอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างยกตัวยอย่างเช่น ถ้าพูดในมุมกว้างๆเลยเนี่ยลักษณะของพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่เราควรทราบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ศึกษากันในเชิงหบางครั้งเรามองไม่ออกว่าพุทธศาสนามีลักษณะอย่างไรลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาและมันต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีเราไม่ทราบกันเลยเนะโดยมากก็จะไม่มีใครมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เราได้เห็นมุมมองในเรื่องของพุทธศาสนา อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าลักษณะแห่งการตัดสินว่าธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพนิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกลักษณะแห่งการที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นวินัยของคําสอนของพระพุทธเจ้าลักษณะตัดสินว่าธรรมวินัยเนี่ยเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่นางประชาบดีโคตมี8ปประการนะ ท่านบอกว่าหลักที่ใช้ตัดสินว่าธรรมะหรือคําสอนอันใดเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็คือให้ดูว่าธรรมที่เขาเอามาอ้างนั้ น, นในการที่จะประ่อพืชปฏิบัตินั้นเป็นไปในลักษณะ8ประการหรือไม่อันนี้8ประการประการที่1ก็คือธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อวิราคะก็คือเพื่อความคลายติดจานวนเก่าก็เรียกว่าคลายความกําหนัด ทำเหล่านั้นนะเป็นคำธรรมะเป็นคาสอนของพระเจ้าถ้าคำสอนใดๆถ้าสอนไปเพื่อให้คนคลายความกำหนัดคลายความยินดีคลายความเพลิดเพลินละ<ม>ความกำหนัดละความยินดีละความเพลิดเพลินอันนี้ชัดเลยว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนไม่ให้ติดไม่ให้กำหนัดในสีเสียงกินรสหรือยินดีเพลิดเพลินในสีเสียงกินรสผภาาัณเป็นต้น แต่ถ้าเป็นคําสอนใดที่บอกว่าเออเนี่ยอันนี้ก็สวยงามนะน่าไปเพลิดเพลินน่าไปยินดีอันนั้นพึงรู้เถอะว่าไม่ใช่คําสอนของพทะเจ้านี่ลักษณะประการที่1ประการที่2เป็นไปเพื่อวิสังโยคะเพื่อคลายก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือคําสอนใดๆเนี่ยให้ประกอบติดแน่นอยู่ในทุกข์หรือให้คลายจากทุกข์ให้ละทุกข์ คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปในเรื่องของการไม่ประกอบด้วยทุกข์ฉะนั้นเอาตนเองเข้าไปประกอบไปมวงไปเพลิดเพลินไปยินดีเนี่ยกับความทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ให้เอาตนเองเข้าไปประกอบกับความทุกข์นั้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ระดับไหนความทุกข์ตั้งแต่ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์หรือระดับไปประกอบกับทุกขเวทนาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้เอาตนเองเข้าไปประกอบใช่ไหมแม้แต่หลักการไปปฏิบัติที่บอกว่า ไม่ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์เคยได้ยินไหมไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์คือปกติเนี่ยกระแสะชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกข์อะไรใช่ไหมแต่บางคนชอบเอาตนเองไปประกอบหรือไปทับถมตนเช่นว่าอย่างไงเดียเช่นการประพฤติปฏิบัติแบบทรมานตนเนี่ยคิดว่าเอาตนเองไปประกอบกับทุกข์ไหมไปทับถมตนไหม หรืออาหารบางอย่างถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยแต่มันทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสียหายกลุ่มตระกูลไขมันมากๆบ้างหรือกลุ่มตระกูลที่เป็นทําให้เกิดโรคภัยแข่เจ็บเนี่ยเค็มจัดหวานจัดมันจัดอะไรเงี้ยทําตอนให้เป็นทุกข์หมดเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันชอบพ <c> อ <oughs> มนมุษย์ชอบขึ้นมาก็เข้าไปกอบเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ประกอบด้วยความทุกข์ทำเราได้เป็นไปเพื่ออปัจญญะ อปัจจะยาสานั้นแปลว่าอะไรก็คือไม่เป็นไม่เป็นการพอกพูนกิเลสสังเกตดูนะว่าเออให้สังเกตดูนะว่าคำสอนบางอย่างมันเป็นการเพิ่มกิเลสพอกพูนกิเลสสั่งสมกิเลสอันนี้ไม่ใช่คำสอนพระุทธเจ้าคำสอนของพระุทธเจ้าเป็นอปัจจะยาก็คือไม่พอกพูนกิเลสทำเราใดเป็นไปเพื่ออ ป, ปิชิอปิชตาแปลว่าอะไรเป็นไปเพื่อความมักน้อย มักน้อยเนี่ยให้มักน้อยในวัตถุแต่ห้ามมักน้อยในกุศลว่า <c> ว <oughs> ันนี้พอแล้วสวดมนต์แค่นี้พอเนี่ยวันนี้เจริญแค่นี้พอแล้วเนี่ยเขาห้ามอปิชกตาอปิชตาอปิชตาใช่อปิชตาแปลความมักน้อยเป็นไปเพื่อความมักน้อย นั้นมักน้อยในวัตถุได้ไหมได้แต่ห้ามมักน้อยในกุศลทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อสันตุถีแปลว่าอะไรแปลว่าสันโดดฉะนั้นต้องระวังไว้นะเพราะพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องสันโดดให้สันโดดในไหนยินดีในตามมีตามได้ในวัตถุเช่นมีบ้านแบบนี้ มีรถแบบนี้มีสถานภาพอย่างนี้มีเสื้อผ้าอย่างเนี้ยได้ยินดีมักน้อยนี่ห้ามมักน้อยในกุศลท่านในกุศลเนี่ยท่านให้ท่านให้มกักมากแต่ด้านวัตถุเนี่ยให้มักน้อยทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อปวิเวกะปะวิเวกก็คือความสงัดสงัดจากบาปอากุศลกรรมเนี่ยมีพระพุทธเจ้าสอน ทำเราใดเป็นไปเพื่อวิริยะลัมภะวิริยาลัมภามก็แปลว่าระดมความเพียรพระเจ้าสอนเรื่องความเกียรติค้าหรือเรื่องความเพียรเรื่องเพียรทำเราใดเป็นไปเพื่อสุภราตาคือความเลี้ยงง่ายนั้นถ้าไม่เป็นในตามหลัก8ประการนี้ถือว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วิไนไม่ใช่สตุศาสตร์ไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าแต่เป็นไปตามหลักนี้เข้ากันได้กับที่กล่าวมา แประการนี้เป็นธรรมะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะและยังกล่าวอีกอย่างหนึงนะเประการทําเรล่าใดเป็นไปเพื่อเอกันตฎรที่พิทาความหน่ายหรือสิ้นเชิงความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายการยึดติดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตัดสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนี่ลักษณะของวธรรมธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแลถ้ามองกว้าง กับการวิเคราะห์เนื้อในก็คือว่าหลักที่กล่าวมาทั้งหมวดเนี่ยจะมองได้เห็นว่าเป็นว่าลักษณะชั้นในหรือเป็นตัวในเนื้อของพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนที่เป็นหลักที่เราทั้งหลายต้องทำความเข้าใจก็คือว่าถ้าจะอุปมาก็คือว่าเราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคนคือถ้าเราไปได้ชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่ง พบเลือดสองสหยดแล้วก็จะวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อของคนอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเนี้ยนะอันนั้นเป็นการยังไม่ชัดเจนก็บอกต้องดูองค์ประกอบอื่นๆนะดูองค์ประกอบอื่นๆลักษณะของคําสอนของพระเจ้าก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้อีกลักษณะหนึ่งที่จะชี้เห็นก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยสอนในเรื่องของคําสอนที่เป็นกลางคำว่าสอนเป็นกลางนี่เขาเรียกอะไร มัชฌิมาปฏิบัติเนี่ยนะทีนี้มัชฌิมาปฏิบัติธรรเนี่ยคำว่ากลางในพระพุทธศาสนาเนี่ยกับกลางในความเข้าใจของเราเนะี่ยโดยมากไม่ตรงกันนะใช่ไม่ใช่มนุษย์โดยส่วนใหญ่หรือยอย่างเราเราโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยมากเรานิยมความเป็นกลางหรือสุดตรงเอาเราว่าเราเนี่ยเป็นคนสุดตรงหรือว่ากลาง อ่าตัวเราเองเนี่ยสุดตรงไหมสุดตรงหรือเป็นกลางบางคนก็สุดตรงทั้งด้านความคิดบางคนก็สุดตรงในทางด้านปฏิบัติพวกเราอยู่กลุ่มไหนเป็นกลุ่มสุดตรงทั้งด้านความคิดหรือสุดตรงในทางด้านการปฏิบัติตอบมาหน่อยดิ <c oughs> อ, าอ้าวยังไงสุดตรงทั้งด้านความคิด ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าไอ้สโตงในทางด้านการปฏิบัติเช่นสมัยหนึ่งคนบางกลุ่มก็มีความเพลิดเพลินมัวเมาในการมาสุขก็คือในการความสุขหาความสุขทางด้านเนื้อหนังในการบำรุงบำรเลือร่างกายในยุคนั้นคนไม่เห็นความสําคัญทางด้านจิตใจเลย Us, เอาแต่ว่าเอา us, เอเรามีความสุขทางด้านเนื floor, ้อหนังทางด้า น, าา น, าานวัต ถ, ถุก็ดิ้นหาวัตถุกันใหญ่ก็จะวัดกันว่าใครมีวัตถุมากก็สุขมากใช่ไหมก็สแสวงห า, าในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยสุดตรงทางด้านวัต ถ, ถุเยอะไหมเยอะหรือไม่เยอะเราคิดไหมว่าถ้ามีวัตถุมากเราจะสุขมากขึ้นเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถเราต้องมีเงินเราต้องมีทรัพย์เราต้องมีบุตรต้องมีบริวารเยอะๆความสุขมันถึงจะมาก ยิ่งดูไม่คิดโอ้ยทํางานมานี้เราก็อยากจะได้วัตถุเนี่ยนะอันนี้คือสโตนไหมสโตนทั้งด้านวัตถุเนี่ยทังด้านการปฏิบัติพุทธศาสนาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าการมาสุ ข, ขัาริการุโยกการประกอบตนเองให้ติดแน่นในการมาสุขในการมามคุณใช่ไหมเอาเพราะมาอีกยุคหนึ่งมนุษย์ก็เปลี่ยน ว่าโอ้เบื่อหน่ายลังเกียดความสุขทางด้านร่างกายแล้วแล้วก็สละความสุขทางด้านร่างกายโดยสิ้นเชิงเลยแตเนี้ยหันไปในเรื่องของการทรมารร่างกายเลยไม่เอาวัตถุเลยแต่เนี้ยนอกจากไม่เอาวัตถุไม่พอร่างกายไม่สนใจเลยเนี่ยปฏิบัติแบบเอาด้านจิตใจอย่างเดียวทรมานร่างกายให้ร่างกายอดอดอยากอยากลำบุญลาบากนะก็ไม่เป็นไรเหมือนที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกขลักกิยานเนี่ย ทรมานมาเลยดูแลเรื่องจิตใจอย่างเดียวใช่ไหมนี่สุดตรงทางด้านอะไรด้านความคิดถ้เาเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราก็มาเทียบเคียงดูว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสุดตรงทางด้านไหนทางด้านการปฏิบัติหรือทางด้านความคิดเอาตัวเราเองอเราสุดตรงทางด้านไหนน นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าการเอียงสุดทางด้านร่างกายเห็นแก่ร่างกายบำรุงมือแร่างกายอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องหรือการเสพติดทางด้านจิตใจไม่เห็นความสําคัญของด้านร่างกายเลยนะโดยสิ้นเชิงจนกลายเป็นการทรมานร่างกายไปก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันแล้ววิธีปฏิบัติทํำยังไงที่จะเรียกว่ามัชชิมาปฏิบัติ า, านี่ยคําว่ามัชชิมานี่แปลว่าอะไรคำว่ามัชชิมาแปลว่าอะไร แปว่ากลางปฏิปทาแปลว่าอะไรมัชชิมาแปลว่าแปลว่าอะไรนะแปลว่ากลางปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาก็แปลว่ามาจากคาว่ามัชคาเหมือนกันนะแปลว่าทางปฏิปทาก็แปลว่ามัชชิมาปฏิปทาก็เล็แปลว่าทางสายกลาง หรือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางหรือความพอดีที่เป็นแง่หนึ่งนี่อีกแง่หนึ่งใช่ไหมทีนี้คนที่จะเข้าถึงมัจจิมาปฏิปทาจะเข้าถึงความพอดีจะเข้าถึงทางสายกลางจะเข้าถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีความเข้าใจชัดด้วยนะถ้าไม่ชัดเนี่ยมันจะสุดตรง ท, ที่บอกว่าอีกด้านหนึ่งการสุดตรงทางด้านความคิดเนี่ย คนบางคนมักจะมีความโน้มเอียงที่เป็นไปในทางง่ายๆที่บอกนในเรื่องของวัตถุกับเรื่องของจิตใจที่ที่เคยถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวัตถุนิยมหรือจิตนิยมาถามยอมยอมเลยยอมนุษยยอมเลยเอาพุทธศาสนาเป็นวัตถุนิยมหรือจิตนิยมอ๋อเห็นเห็นไหมเนี่ยเอาถามใครอีกก็ยอม เจกพุทธศาสตร์นาเป็นวัตถุนิยมหรือจิตตนิยมเนี่ยจิตตนิยมสองเลนะได้จิตตนิยมสองแล้วนิ น, น ย, <c oughs> ยมอมพุทธสองยังไงเนี่ยเป็น ฉะนั้นถ้ามองถึงในเรื่องของวัตถุกับจิตใจเนี่ยพวกหนึ่งเอียงไปทางด้านวัตถุอีกพวกหนึ่งก็เอียงไปทางด้านจิตจนมีปรัตต์ยาตะวันตกก็มีสองขั้วขั้วหนึ่งเป็นจิตตนิยมอีกขั้วหนึ่งเป็นวัตถุนิยมใช่ไหมฮะแต่ในพุทธศาสนาเห็นว่าท่านไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นพุทธศาสนาไม่เป็นทั้งจิตตนิยมไม่เป็นทั้งวัตถุนิยม ไม่ไปสุดต่งด้านใดด้านหนึ่งพุทธศาสนาให้ความสําคัญทั้งด้านของนามและรูปใช่ไหมก็เรียกกันว่าให้ความสําคัญทั้งด้านวัตถุด้วยและทั้งด้านของจิตใจด้วยสรุปแล้วก็คือพุทธศาสนาถ้าเรามองถึงในด้านของคําสอนเราจะเห็นชัดว่าพระเจ้าพูดในเรื่องของรูปธรรมใช่ไหม ดินน้ำไปรมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดู ก, ก, ดกทั้งหลายเหล่านี้เปเติ้ลพรเจ้าให้ความสาคัญไหมด้านจิตใจทั้งด้านเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกลุ่มนามธรรมให้ความสำคัญไหมต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างและให้ความสำคัญทั้งสองอย่ญญางฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่เป็นทั้งวัตถุนิยมและจิตตนิยมให้ความสําคัญเนี่ยคำว่ากลางๆเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งพวกหนึ่งมีความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้ ใช่ไหมมีอัตราคงที่ตลอดไปกลายเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอะไรสัตสตาทิฏฐิเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงแท้แล้วก็ปรารถนาอยากให้มันเที่ยงแท้ด้วยใช่ไหมลักษณะนี้เป็นกลุ่มสัตสตาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งก็เอียงสุดไปอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าทุกอย่างมันขาดศูนย์หมดคนเราเกิดมาแล้วเป็นเพียงประชุมกันของดินน้ําไบลมเมื่อตายไปแล้วก็ขาดศูนย์พวกนี้ก็กลายเป็น อุเฉททิฏฐิพุทธศาสนาสุดตรงทั้งด้านศาสนาททิรูเฉททิฏฐิหรือว่าสุดตรงหรือไม่สุดตรงเห็นว่าเที่ยงก็เป็นกลุ่มศาสนาททิก็กลุ่มสุดตรงอย่างหนึ่งพุทธศาสนาไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้สอนอย่างนั้นเห็นว่าขาดศูนย์ก็เป็นอุเฉททิฏฐิใช่ไหมอันนี้ก็สุดตรงอย่างหนึ่งทีนี้อีกกลุ่มหนึ่ง พวกที่บัญญัติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมีอยู่จริงอีกพวกหนึ่งเขาเรียกสัพพติกาทิฏฐิเคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินคําว่าสัพพติกาทิฏฐิเห็นว่ามีอีกพวกหนึ่งก็เป็นกลุ่มนัตติกาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีอ้าวเรียกว่าพ่อแม่มีอยู่จริงหรือไม่จริงจริงไหมมีไหมจ ร, จริงหรือไม่จริง ความเป็นหญิงเป็นชายมีอยู่จริงหรือไม่จริงสัตว์บุคคลมีอยู่จริงหรือไม่จริงโอบ่งพวกบอกต้องมีจริงเลยนะโลกนี้จริงโลกหน้าจิ้มคืดยืนยันชัดเจนว่าจริงเท่านั้นน่ะเนี่ยอีกลุ่มสภานิติการเนี่ยเห็นว่ามีอยู่จริงๆเลยนะใครไปบอกว่าไม่มีเถียงตายเลยอีกกลุ่มหนึ่งสอดต่องันบอกไม่มีมันดินน้ําำใบล้อมเท่านั้นแหละมันไม่มีอยู่จริงหรอก นี่ก็สุดตรงนะฉะนั้นพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีปู่ตายายยายก็ไม่มีก็คือเป็นดินน้ำไฟลมตามหล่วิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเราอยู่กลุ่มไหนกลุ่มสภัทิกะทิฏฐิหรือนาฏิกาทิฏฐิถ้า <c oughs> คนในยุคนี้ก็บอกยิ่งเรียนกันสูงสูงไปไปมามาเห็นว่าพ่อแม่ไม่มี ไม่มีอยู่จริงนะนี่มันอันตรายจริงๆในะด้วยลักษณะอย่างเงี้ยพวกที่เห็นว่ามีกับพวกที่เห็นว่าไม่มีเนะี่ยโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีมันปฏิเสธหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาพอไปมองเรื่องสภาวะธรรมมากมากมากมากมากไปเอียงแล้วไม่เอียงนักเขาก็เอียงไปหาว่ามันไม่มีเพราะไม่มีนักเขานักเขามันเลยบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มันหนักไปขนาดนั้นนะใช่ไหม เราลองเจาะวิจัยไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆตามกระบวนการความคิดทีนี่กลุ่มหนึ่งเนี่ยลักษณะดังที่ได้กล่าวเนี่ยพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นไม่ได้สอนในเรื่องการสุดโตงทีนี้อย่างที่บอกว่า คนในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือแม้แต่มนุษย์ในยุคนี้ชอบจะมองอะไรแบบสุดโต่งจะเชื่ออะไรก็เชื่ออย่างนั้นถ้าเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นเหมือนเราเห็นว่าคนนี้ไม่ดีเราก็ตัดสินทันทีเลยคนคนนี้ไม่ดีและก็ไม่ดีตลอดไปด้วยเคยเป็นแบบนั้นไหมละ่ะถ้าเขาได้เกลียดใครสักคนเราก็เกลียดตลอดเลยเราก็ไม่สามารถที่จะมองแง่มุมดีของคนคนนั้นได้เลยใช่ไหมเป็นไหมเรายังเป็นอยู่ไหมโรคแบบเนี้ อ, อย่างเขาบอกว่าคนคนนี้มันคนชั่วถ้าคนคนนี้ตายไปแล้วแผ่นดินมันจะสูงขึ้นไงนะเราเคยมีความเชื่อแบบนี้ไหมความเชื่อแบบนี้สุดตรงหรือไม่สุดตรงเนี่ยลักษณะอย่างนี้สุดตรงถ้าเราเกลียดใครแล้วเราชอบใครสักคนนึงเนี่ยใครจะมาบอกว่าดียังไงไม่ดียังไงเราก็ปิดหูปิดตาหมดเลยทรเนี้มันก็สุดตรงไปอีกใช่ไหมั้รการมองอะไรไม่รอบกมองอะไรไม่ทั่วรู้อะไรไม่ชัดรู้โดย ถ้าปัญญามันจะรู้ชัดรู้รอบรู้โดยประการต่างๆรู้ทุกแง่ทุกมุมใช่ไหมรู้ทั้งจุดเด่นจุดด้อยรู้ทั้งทางออกด้วยอย่างเงี้ยพุทธศาสนาจึงสอนค่อนข้างรัด ก, กุมมากในเรื่องเหล่านี้ทีนี้ในทางคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแต่เนี้ยคำสอนความจริงทีนี้การสอนความจริงที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ความจริงและสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นไปตามความโน้มเอียงเห็นความพอใจของมนุษย์นะที่มองอะไรสุดตรงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนที่จริงแต่พอดีสอนจริงด้วยพอดีด้วยเนี่ยยากไหมให้ตรงตามความจริงนั้นและสอนให้พอดีกับความจริง พ่อบอกว่าให้ตรงตามความเป็นจริงนั้นด้วยและสอนให้พอดีกับความจริงก็เลยกลายเป็นคําสอนที่เป็นกลางนอกจากจริงแล้วยังไม่พอนะคําสอนนั้นจริงยังไม่พอนะยังมีความพอดีด้วยและตรงตามความเป็นจริงนั้นด้วยก็กลายเป็นคําสอนที่พุทธเจ้าถึงสอนในเรื่องของทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยไอ้คำว่าทางสายกลางคําว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่สอนในส่วนในแง่ของความจริงนะ นี่คือความจริงทีนี้ทัศนคติหรือทัศนาที่เกี่ยวกับสัจธรรมที่เป็นกลางอีกเหมือนกันเนี่ยพระเจ้าสอนแสดงธรรมเนี่ยที่เรียกว่าเป็นกลางกลางมันก็เลยมีสองส่วนนะส่วนที่บอกมัชชิมาปฏิปทากับมัชเชนะธรรมเทศนาต่างกันไหมลองดูสองสองนี้นะมัชเชนะธรรมเทศนากับคําว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ต่างกันตรงไหนอ่ะ มัชชิมาปฏิปทากับมัชเชนะธรรมเทศนาใครตอบคำนี้ได้บ้างอ้าวยอมนึตอบก่อนที่มัชชิมาปฏิปทากับมัชเชนะธรรมเทศนาต่างกันตรงไหน มัชชิมาปฏิบัติกับคำว่ามัชเชนะธรรมเทศนาต่างกันตรงไห น, นอา้าวยอมแอมัชชิมาปฏิบัติกับมัชเชเทสนธรรมเทศนาต่างกันตรงไห น, น มัชเชนะธรรมเทศนากับมัชชิมาปฏิบัทาต่างกันตรงไหนอ่ะยอมบีนี่มัชเชนะเป็นขั้นด้านความคิดใช่ไมมัชชมาปฏิบัทาเป็นข้อปฏิบัติอา ยอมโน้ว่าไงเมื่อกี้าอเคเหมือนกันเอาวอ่าเเหมือนยน มัชเชนะมัชชิมาปฏิปทาหมายถึงหมายถึงข้อปฏิบัติหลักธรรมหลักการปฏิบัติเลยใช่ไหมส่วนมัชเชนะธรรมมัชเชเธรรมหรือมัชเชนะธรรมเทศนาอันนั้นเป็นหลักเป็นหลักคำสอนหลักคาสอนใช่มมัชเชนะธรรมเทศนาเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนหลักการปฏิบัติหลักการว่ามีความเข้าใจอย่างไรมีหลักการอย่างไงเมื่อเมื่อเข้าใจหลักการนั้นแล้วตามคำสอนที่เป็นกลางคำสอนที่เป็นกลางคำพูดคำสอนออกมานะธรรมะที่สอนออกมาที่เป็นกลางด้วยเป็นความจริงด้วยเป็นกลางด้วยมีความพอดีมีความเหมาะด้วยอันนี้เป็นมชนะัชฌีะธรรมเทศนาอย่างนี้ใช่หม แน่หลักคำสอนเพราะมัชเชนะธรรมเทศนาเนี่เป็นหลักคาสอนอันนี้เขาเรียกว่ามัชเชนะธรรมเทศนาเป็นเทศนาคือคําแสดงคําพูดออกมาคํากล่าวออกมาที่เป็นกลางที่มีความพอเหมาะที่มีความพอดีตกลงว่าในพุทธศาสนาไม่ว่าจะในแง่ของการปฏิบัติเมื่อสักครู่ที่ยอแม่บอกว่าในแง่ของความคิด ในแง่ของความคิดเนี่ยเพราะความคิดออกมาที่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงามาถูกด้วยไหมถูกรหรือไม่ถูกถูกมัเชนธรรมด้วยนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีกระบวนการความคิดที่เป็นกลางตรงนี้ก่อนใช่ไหมเข้าใจความจริงตรงนี้ก่อนแล้วจึงสแสดงความจริงแล้วออกมาเห็นความจริงตรงนั้นก่อนใช่ไหมเข้าถึงความจริงตรงนั้นก่อน แล้วก็แสดงความจริงอย่างนั้นออกมาที่เป็นกลางและมีความพอเหมาะพอดีแล้วกลายเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาก็มาจากความคิดที่เป็นกลางใช่ไหมเออเนี่ยแต่ว่าเป็นคําแสดงเป็นคําสอนออกมาด้วยนะฉะนั้นในพุทธศาสนาไม่ว่าจะในแง่ของการปฏิบัติหรือในแง่ของความคิดที่เกี่ยวกับสัจธรรมก็ตามเป็นสายกลางทั้งหมดเลยคือเป็นมัชชิมาปฏิปทาอย่างหนึ่งและเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาอย่างหนึ่ง นี่ต้องแยกให้ออกนะเออพวกเราจะทำยังไงที่เราจะมีกระบวนการความคิดแบบนี้ได้สำคัญไหมสำคัญมากๆเลยที่เราจะฝึกกระบวนการความคิดของเราให้ให้เป็นกลางไม่ใช่เป็นกลางแบบมีมีเหล้าอยู่สิบมีเหล้าอยู่เท่าไหรด่ดีวันหนึ่งเรากินเหล้าวันละสิบแก้วแต่วันนี้เรา ขอดื่มเป็นกลางกลางก็ดื่มห้าแก้วเออนี่กลางกลางตัวนี้ต้องเป็นความดีใชมไหมต้องเป็นความพอดีความพอเหมาะหนึงตรงนี้ค่อยๆเจาะลงไปนะตรงนี้สาคัญนะในที่กำลังพูดออกมาเรื่องสายกลางเนะี่ยเดี๋ยววันนี้จะพยายามว่าจะใช้เวลาให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็จะวัดยังไงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถปฏิบัติเข้าถึงทางสายกลางได้จริงหรือไม่จริง แล้วถ้าเราปฏิบัติเข้าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าพูดเรื่องการพ้นทุกข์อันนี้มันห่างไกลเลยนะถ้าไม่เข้าใจมุมนี้อันนี้สําคัญมากถ้าในพระสูตรในพระไตรปิฎกท่านจะเปรียบเหมือนการยิงลูกศรลูกศรที่ยิงไปไม่ถูกเป้าก็จะเอียงไปข้างโนูน้นข้างนี้ใช่ไหมไม่ตรงกลางคือมันไม่พอดีไม่ตรงกลางนี่แหละส่วนลูกศรที่ยิงตรงจุด กลางพอดีเนี่ยเป็นกลางจึงเรียกว่าสายกลางสายกลางก็คือพอดีด้วยตรงความจริงที่จะให้เข้าถึงจุดหมายและก็เท่ากันกับพอดีกับความจริงที่เป็นสัจธรรมโดยทีนี้พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยได้ส่งไปศึกษาในสำนักของความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสัสจธรรมหลายอย่างพระองค์ก็ไปทดลองการปฏิบัติ เพื่อจะให้เข้าถึงจุดหมายพระองค์ก็ใช้เวลาในการศึกษาอยู่6ปีเนี่ยนะแล้วก็เห็นว่าที่ปฏิบัติอยู่นั้นน่ะมันเอียงเอียงไปในกลุ่มของทั้งวัตถุนิยมบ้างทั้งด้านจิตนิยมบ้างเป็นต้นทั้งด้านเอียงไปทางด้านของสัตว์สตธิฐิก็มีเป็นอุเฉททิฐิก็มีเป็นกลุ่มสัพพติกะทิฐินากทิกะทิฐิเป็นต้นเหล่านี้ก็มีสรุปก็คือเอียงไปหาความโลภก็มีเอียงไปหาโทสะก็มีอย่างนี้เป็นต้น ต่อมาเนี่ยพระ อ, องค์ก็เลยค้นพบทางสายกลางขึ้นมาอ้ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาและทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นกลางขึ้นมาก็เรียกว่าธรรมะมัชฌิมามาัชเชนธรรมเทศนาใช่ไหมสติปทาน 4, สีสมบัติทานสี่ที่บาทสี่สี่ห้าพล้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดเนี่ยใช่มัชเนธรรมเทศนาหพราะมิหารสใช่มัชเชนธรรมเทศนาหม เอาละต่อไปจะให้พวกเราได้ทําความเข้าใจแต่ละหมวดเดี๋ยวจะยกหมวดทําขึ้นมาแล้วจะให้พวกเราวิเคราะห์ว่าเอาอยางไรเรียกว่ากลางใช่ไหมอย่างพระเจ้าแสดงฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาเนี่ยใช่มัชฌิมาปฏิปทาไหมเอาละที่ี๋ยนี้นะแล้วอะไรที่ไปไปดุลให้เป็นกลางอะไรเรียกว่าเอียงปฏิบัติแบบไหนเอียงปฏิบัติแบบไหนเรียกว่าเป็นกลางยี่เป็นต้นเดี๋ยวยังไม่เข้าถึงตรงนั้นก่อนนะ อันนี้ฝากไว้ให้คิดทําการบ้านไว้ในใจฉันอาจจะยกหมวดใดหมวดหนึ่งอาจจะยกสติประธานสี่ขึ้นมาสมปาทานสี่ขึ้นมาอินทรีย์ห้าพละาหโพชฌงเจ็มาร์กแดขึ้นมาเนี่ยนะยกขึ้นมาแล้วก็ให้วิจัยลงไปว่าทําอย่างไรเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาและอย่างไรไม่เข้าถึงมัชิมาปฏิปทาเจ๊ะไหมเหมือนสังหาวัตถุสอย่างเงี้ยในหมวดอยงเงียหรือว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามันจะเป็นยังไงเจ๊ะไหม มันจะเป็นมันชฌิมาปฏิปทาอย่างไรนี่สำคัญัหมบางคนปฏิบัติธรรมะไม่ครบชุดพอไม่ครบชุดก็เลยไม่ก็เลยเอียงเพราะเอียงขึ้นมาก็เลยไม่สามารถเข้าสู่ความเป็นมันชฌิมาปฏิปทาได้นไม่สามารถเข้าถึงสายกลางนะต่อไปดูมรรคแปดมัชฌิมาปฏิปทานีนได้แกี่กบมรรคแปดนี้โดยตรงนี่เห็นชัดนะ ถ้าหยิบหมวดอื่นมาเดี๋ยวเราจะงงกันใหญ่เดี๋ยวเอามักแปดก่อนนี่ได้ชัดขึ้นจบไหมเนี่ยมากแปดเนี่ยคิดว่าจบไหมจบเนี่ยพูดให้จบสองนาทีก็จบเต็นเข้าใจหรือเปล่าจริงๆตรงนี้เป็นข้อสำคัญมากเลยเอาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไอ้คำว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเนี่ยเอาความรู้สึกของเราไปวัดหรือเอาธรรมะเป็นตัววัด เอาธรรมะเอาหลักมากคแปดเป็นตัววัดไม่ใช่ความรู้สึกเราเป็นตัววัดมางกนบอกว่าให้ฉันปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิบทาวันนี้ฉันนั่งกรรมฐ า, านได้สองชั่วโมงกําลังพอดีแล้วอีกคนนึงนั่งเท่าไรชั่วโมงครึ่งเฮ้ยกลางไม่เท่ากันที่ว่า <c oughs> ใช่ไหมอีกคนนึงนั่งยี่สิบนาทีก็ไปแล้วใยเลยอีกคนนึงเงามัชฌิมาปฏิบัติธรของยอมลำเจียกนอนวันละกี่ชั่วโมง นอนจริงๆที่เต็มอิ่มเลยอ้าวของยอมแอกี่ชั่วโมงแปดอของยอมนดกี่ชั่วโมงอยากจะได้แปดยอมบีกกี่ชั่วโมงฮะยอมนีดน่ะหกชั่วโมงอ่ะนอ่ะไม่มัชชิมาปฏิปทาของเราอ่ะที่เราเข้าใจอ่ะเรามันพอดีกับเราอ่ะ เราทำไมไม่เท่ากันเลยไอ้ น, นี้ต้องไป <laughs> ต้องไปตามข้อตกลงกันแล้วจริงๆมันควรจะเท่ากันไหมธรรมาชิมาปฏิปทาเท่าไม่เท่าโอ้ย่งนี้ต้องคุยกันอีกนานแน่เดี๋ยวนี้ต้องขอดมยาดมหน่อย <laughs> เนี่ยมัชชิมาปฏิปทาของมนุษย์เริ่มต่างกันนี้ยังโอ้โหอย่างนี้จะต้องถ้าฉันยกประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกเราคงจะต้องหาหาหาเหตุผลหากลางนะเดีอยนี้ <c oughs> ไม่ยอมเด็ดขาดใช่ไหมแต่ฉันยืนยันว่ามัชชิมาปฏิปตนี่ทา้งโลกเราบอกนอนอย่างต่ำต้องอะไรเขาก็อ า, างเข้าไปใช่ไหม นักเชื่อว่าไอ้คนที่มันคิดเรื่องนี้มาเขาเขาเข้าใจคําว่ามัชชิมาไหมบางทีคําว่ามัชชิมาปฏิปทาของเราเรา เ, าเอาปัญญาเป็นเครื่องวัดเราวกิเลสเป็นเครื่องวัดอลองดูของพระเจ้าหน่อยนะแต่พระเจ้าเนี่ยพระ เ, เจ้าสอนพระภิกษุยังไงดีพระเจ้าจะสอนว่า ปฐมยามมะชิมยามปัจฉิมยามใช่ไหมตอนกลางคืนนะให้แบ่งเป็นสามยามปฐมยามก็ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุมให้ใช้ให้อยู่ในเอียบดสามยืนเดินนั่งตั้งแต่สี่ทุม่มถึงตีสองนี่เป็นมะชิมยามเนี่ยให้นอนแบบสีหาใสย่ยามนาสิการว่าพักผ่อนเอียบด แล้วก็จะจะจะจะลุกขึ้นมาเพื่อทำความเพียรต่อใช่ไ้ยพอตั้งแต่ปัจฉิมยามก็ตั้งแต่ตีสองจนถึงหกโมงเช้าก็ลุกขึ้นทำความเพียรต่อโอ้โหยุ่งไหมอย่างเงี้ยว่าขี้มาปฏิบัติใช่ไหยได้พักแค่เท่าไหร่เนี่ยแค่สี่ชั่วโมงเองเออพระอาจาสอนภิกษุสอนผู้ปฏิบัติ ถ้าเราไปเจออย่างนี้เข้ามาโอ้โหไม่ไหวเลยใช่ไหมก็ก็ตรงนี้ไงที่ว่านี่นี่ น, นี่วางหลักตรงนี้ก่อนแต่ร่างกายคนทุกวันนี้จะไหวหรือเปล่านั่นว่ากันอีกทีนะอันนี้อันนี้อัน น, น, นี้วางหลักวางหลักแบบเข่งคัดไว้ก่อนเหมือนการกินอาหารเนี่ยเออถ้าพอดีที่เป็นโพชเนะมาตันยุตาเนี่ยในหลักการก็ที่ภาษาลิบุตร ที่ผู้ที่จาสอนเนี่ยโดยเฉพาะภาษาหรืบุตรนำมาเป็นหลักปฏิบัตินะถ้ารู้ว่าอีกห้าคำจะอิ่มให้หยุดอันนี้ไม่ได้ออกปริมาณเป็นเครื่องวัดนะให้กล่าประมาณว่าถ้ากินอีกห้าคำจะอิ่มเนี่ยให้หยุดห้าก็ได้สี่คำก็ได้ถ้ายังเหลือขออีกนิดก็เอาเหลือสี่คำเพิ่มจากห้าสี่แล้วก็ให้ดื่มน้ําแล้วร่างกายจะอยู่สบายเราเราเคยวัดตัวเองขนาดนี้ไหม เคยหมว่าอีกสี่คำจะอิ่มอีกห้าคำจะอิ่มเราหยุดทันทีเลยหรือต้องให้เต็มเต็มที่เลยถึงหยุดยต่อไปให้วัดแบบนี้นะหลักอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าโพชเนมตะยุตารู้จักความพอดีต่อการกินแสดงว่ากินจนไม่รู้จักวัดตัวเองมาเลยนะ อนะตรงนี้ตรงนี้อันนั้นดูด้านรูก ป, ประทัก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเจาะเรื่องนามธระทก่อนดีกว่าเดี๋ยวตรงนั้นก็ว่ากันอีกทีให้เข้าใจเรื่องนามธระท ท, ที่วิ็มัชชิมาปฏิปทาองค์มรรคแปดก่อนก็คือเป็นกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่เอียงออกไปข้างโน้นและไม่เอียงออกไปข้างนี้พอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายความคือนําไปสู่จุดหมายแห่งความชีวิตที่ดีงามก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่จะสามารถ นำพาชีวิตเข้าไปสู่จุดหมายที่ดีงามได้เข้าไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นต้นได้เนี่ยนี่ที่เป็นมัชฌิมาปิฎิปทาส่วนมัชฌีนะธรรมเทศนาก็จะแก่หลักธรรมที่เรียกว่าอปติจัสูบาทนี่เป็นมัชฌีนะธรรมเทศนามั้ยเป็นไม่เป็นปฏิจจสมบาทเป็นไหมเป็ น, ป ม, ป น, ม, ปนมัชฌีนะธรรมเทศนามั้ยเป็นไม่เป็น ปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับหรืออิทัปัจยาตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะเป็นหลักธรรมที่แสดงความจริงที่เป็นกลางกลางตามเหตุปัจจัยหรือเป็นกลางอยู่ตามสภาวะของมันไม่เอาใจใครแล้วก็ไม่ขึ้นกับใครเลยเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเนี่ยใช่ไหมไม่เอาตาไม่เอาใจใครเลยนะเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยจริงๆนี่เป็นกลางอย่างนี้ สิ่งทั้งหลายนั้นอิงอาศัยซึ่งการละกันและเป็นไปตามเหตุปจัจจัยเหตุปัจจัยทําให้ผลเกิดขึ้นผลก็เป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุปจัจจัยนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นทางสายกลางเหมือนกันหลักพุทธศาสนานเนี่ยเป็นทางสายกลางทั้งในด้านการปฏิบัติและในทางด้านของความคิดเขาใหญ่อย่างสายกลางทางด้านการปฏิบัติเรียกว่าอะไรมัชฌิมฤฤาปฏิบัติสายกลางในทางด้านของความคิดเรียกว่า มัชเชนธรรมหรือมัชเชนธรรมเทสนงด้านความคิดที่เป็นกลางถึงพูดออกมาที่เป็นกลางได้ยมั้ยอีกอย่างหนึ่งสายกลางนั้นเนี่ยมีความหมายที่พอดีเนี่ยพอดีก็นิยมนิใช้กันปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกดุลยภาพได้ยินเคยได้ยินคำว่าสมดุลไหมบาลีมาจากคำว่าสมตาสมตตาหรือสมดุลเนี่ย เป็นความพอดีที่มีความสมดุลกันเนี่ยนะระบบที่กล่าวถึงเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่พอดีเป็นลักษณะที่มีดุญยภาพอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ความพอดีของระบบทั้งหมดเนี่ยความพอดีขององค์รวมด้วยนะทีนี้ในการปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยลงไปเนี่ยที่เป็นดุลยภาพเช่นในการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา นายกคำว่าสมตาในอินทรีห้าเห็นชัดเอาอินทรีห้าที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่จะเป็นสมตาที่จะเป็นสายกลางได้เนี่ยหรือข้อปฏิบัติจะประสบความสําเร็จได้วัดยังไงผู้ปฏิบัตินั้นก็จะต้องมีการเน้นต้องมีสมตาใช่ไหมมีดุลยภาพหรือมีความสมดุลเนี่ยเช่นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเอาศัทธาต้อง สมตากับอะไรวิริยะต้องสมตากับลัสติล่ะเทศศรัทธาที่ต้องมีความสมดุลกับปัญญาเนี่ยถ้าศรัทธาแรงเกินไปจะเป็นยังไงเชื่อง่ายงม ง, งายใช่ไหม ปัญญาแรงเกินไปมากเกินไปไม่มีศรัทธามาดุลจะเป็นยังไงจับจอดฟุงซานคิดมากเหนอะไรก็ชิงปฏิเสธไม่ไม่รู้จกจับอะไรให้มันลึกลงไปได้จะคิดพัานๆผนๆผ่านๆผ่านไปอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมสรุปแล้วก็คือว่าถ้าศรัทธามากเกินไปเอาอะไรมาดุลไว้เราปัญญามาดุล ถ้าปัญญามันมากเกินไปเนี่ยมันเอียงไปทางด้านปัญญาจะคิดวิจัยวิจารณ์เยอะเยอะเกินไปเอาอะไรมาดุลไว้เอาตัวศรัทธามาดุลไว้ไอตัวที่จะมาคอยกํากับที่จะบอกว่าเอาศรัทธามาดุลไว้เอาปัญญามาดุลไว้ไอตัวที่จะมากํากับตรงเนี้ต้องใช้ตัวไหนต้องใช้สติใช่ไหมเย้เวันนี้ท่านเม้งก็ยอมละ ด, ดาเข้ามาวันนี้ป่ะแล้วใครไปรับอ๋อขอมีรถไปรับ นุ่นใช่ได้เดินมาอ๋อได้ๆ ไ, ไ้ ร, ตรงตกลงกันก็ตรงตรงนั้นเราเราจะเปลี่ยนกับเธอว่าไม่ชอบใอ ดังนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมว่าทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวยะพูดตรงนี้ให้จบก่อนแล้วเราจะบอกวิธีว่าการที่เราไม่สามารถเอาศรัทธากับปัญญาทีนี้ระหว่างวิริยะกับสมาธิถ้าวิริยะมากเป็นยังไงถ้าวิริยะมากเกินไปเป็นยังไงฮะ เครียเลริยะมากเพียนมากไปสมาก็กลายเป็นคนเครียดแล้วก็พุ้งผ่านปุ้งซ่าน มันเครียดด้วยพุ่งซ่านด้วยนะื้อคว่าคําว่าพกพ่านเนี่ยพกพ่านเนี่ยเข้าใจไหมเวลามันเพี้ยนมากๆขึ้นมาเนี่ยมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันสับเปนตัวเดียวกันเลยนุเอาถ้าหากว่าสมาธิน้อยมันก็กลายเป็นดีไหมเพราะเพราะสมาธิไม่คุมจิตไว้อะ่ะจิตมันอยู่ไม่ได้โอ้โหมันดิ้นใหญ่มันดิ้นใหญ่ ทีนี้ถ้าสมาธิมากอะเป็นยังไงเกียรติค้านเกียรติค้า <huh>? นเพราะฉะนั้นวิริยะกับสมาธิศรัทธากับปัญญาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้สติใช้สติที่เป็นตัวเป็นตัวดุลเนี่ยนะ สติเป็นเครื่องมือควบคุมทีนี้เราจะใช้สติเป็นเครื่องมือควบคุมยังไงถามหน่อยดิยให้พวกเราลองเอา้าใครมีปกติยังไงยกเคสตัวความจริงขึ้นมาเกี่ยวกับสมพุท่นไหนเป็นคนที่มีอ่าเนี่ยยอมแอลองแนะนำหน่อย จะเอาสติเป็นตัวดุลเป็นตัวควบคุมยังไงที่จะทำให้ความเพลินมากเรื่อยๆเฉยๆมากแล้วก็เป็นคนที่เกียจค้านไม่ค่อยขยันมันเพียนเนี่ยจะใช้สติมามากํากับมาค่มยังไงจึงจะสามารถทำตัววิริยะกสมาธิให้ได้ดุลยภาพอ้อวาวว่ามา เอาเอาเรื่องบุคคลก่อนเลยหรื อ, อปรับยังไงปรับเรื่องบุคคลปรับสรุปก็คือปรับในทางด้านของกระบวนการบุคคลแล้วมันมันเกี่ยวกับสติเอาสติไปดุลไปปรับยังไง 嗯嗯嗯嗯嗯น่นนงน่งน่น อ้านี่มันนั่งเดี๋ยวนั่งหลังนั่งหน้าได้ไม่เป็นไรนั่งหลังก็มีโอกาสหลับได้ง่ายกว่า เดี๋ยวบอกบอกถ้าเราเราจะใช้สติเป็นตัวเดี๋ยวถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเนตัวสติที่เรียกว่าเป็นตัวคุมกำกับได้เนี่ยต่อไปเราจะสามารถใช้สติเป็นนี่สำคัญที่สุดเนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้สติไม่เป็นศึกษาเรื่องสติกันก็ไม่ชัดก็เลยไม่สามารถเอาสติมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตสติมีสองอย่างเนี หอภิลาปนาราาักนาสติกับสองอุปปัคคานหัรักนาสติปีลาอปิลาปนารักนาสติก็แปลว่าสติที่เตือนให้ระลึกถึงธรรมทั้งหลายนี่นี่ข้อแรกอันนี้เป็นตัวเตือนให้ระลึกถึงธรรมะทั้งหลายเนีประการที่สองอุปปัคคานหัรักนาสติสติที่เตือนให้เลือกเอาธรรมะที่ควรเสพเอาละทีนี้ สติสองอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะคําว่าสติเนี่ยในความหมายของสติเนี่ยปแปลว่ามีการไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะใช่ไหมสติเนี่ยหมายคำว่าอปีราปรนาลัคณาเนี่ยหรืออุปคัค น, นันลัคนามีสองความหมายลักษณะของเขาเนี่ยประการแรกมีการไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะ ประการที่สองมีการกำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำนี่เป็นลักษณะและ้วการไม่เลือเรือนและการกาหนดไว้ได้อย่างแม่นยำเนี่ยทั้งสองความหมายเนี่ยอภิลาปณ ะ, ะก็คือการไม่เลอเรือนอุ ป, ปคัค น, นะก็คือการกำหนดการกำหนดไว้ได้อย่างแม่นยาสติเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บ สติก็เตือนให้รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้ไม่เป็นโทษสติก็สามารถให้เราระลึกว่านี่เป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่เป็นสติปัฏฐานเป็นสมรรปะปัฏฐานเป็นอินทรีพราเป็นมรรคเนี่ยท <c oughs> ่านเลยเปรียบเสมือนว่าสติเนี่ยเหมือนกับขุนคลังของพระราชาจะกาบทูลเตือนพระราชาให้ละลึกถึงราจตสมบัติในเวลาเชา้าในเวลาเย็นเป็นต้น ฉันใดสติก็อย่างนั้นแหละก็ชักชวนกระตุ้นเตือนสมัมยุต ธ, ธรรมให้ถือเอาซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้มีอุปการะธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะเป็นต้นหรือว่าพระโยคียก็ย่ำละทำมันที่ไม่มีประโยชน์ถือเอาธรรมมาที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะนะก็เหมือนที่บอกว่าที่ยกตัวอย่างบอกว่า อะไรจะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์เหมือนปารีนายกแก้วเหมือนกันถ้าเรามองนี่จะเห็นชัดแน่นะว่าสติทําหน้าที่เหมือนกับขุนคลังของบรราชาเตือนว่ามีทรัพย์อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยสติประเภทนี้มีอยู่ในเราไหมว่าเออตอนเนี้เรามีคุณธรรมอะไรบ้างอยู่ในใจมีไม่มีมีสติประเภทนี้ไหม ว่าตอนนี้เรามีศีลห้าตอนนี้เรามีศีลแปดตอนนี้เรามีศรัทธาตอนนี้เรามีความเพียรตอนนี้เรามีสติตอนนี้เรามีสมาธิตอนนี้เรามีปัญญาเคยมีสติประเภทนี้ไหมที่มาเช็คดูสมบัติหรือทรัพย์ของตนเองอยู่ตลอดมีไหมเคยมีไหมเคยเช็คไหมเฮ้ยตอนนี้เรามีศีลอยู่ตอนเนี้ยเคยเคยเช็คข้อนี้ไหมเออตอนนี้เรามีศรัทธานะมันยังมีเหลืออยู่ ศรัทธามันน้อยลงมันเพิ่มขึ้นไอ้เคยเช็คไหมไอ้เนี่ยเนียสติประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เล้อเรือนกับการกาหนดมีการกาหนดกาหนดไว้ได้อย่างแม่นยำเราเรากำเราเราเลอะเราแยกออกไหมว่าตอนนี้เรามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาไหมีไหมตอนนี้มีศรัทธาไหม สถามันลดลงเพิ่มขึ้นหรือคงที่คงที่ไม่เพิ่มไม่ลดลงสถาคตเโราะที่สถานี่ชัดไหมเนี้ยตรงนี้บางคนไม่รู้เรื่องเลยนะมันเลอะเรือนเลยแยกไม่ออกว่าตัวเองมีอะไรหรือไม่มีอะไรอันนี้แปลว่าเลอะเรือนแล้ว แต่คนบางคนเขาไม่เลื่อยเรือนใช่ไหมเขาไม่เลื่อนเรื่องนี้เขาก็แยกได้แยกได้มีมีความเพียรไหมมากน้อยอย่างไรเตือนอันตรจสติจะเตือนเลยนะว่าตอนนี้ความเพียร น, น้อยนะเคยเตือนตัวเองแบบนี้ไหม เนี่ยขาดสติตรงนี้ยังไงนี่คนขาดสติมันขาดแบบนี้มันเลือเล่อนเแบบนี้เขาใจยังเนี่ยเขาว่าขาดสติน่ะมันไม่เตือนตัวเองเลยว่าตอนนี้คนเองความเพียรมันลดความเพียรมันน้อยความเพียรมันต่ําอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ลักษณะแบบนี้งั้นอันดับแรกจริงๆก็คือกระตุ้นเตือนว่าทาเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่มีทีนี้พอกระตุ้นเตือนก็จะละ ใช่ไมพอกตุ้นเตือนว่าเอยอันดับแรกจริงๆก็คือว่าเรากำลังเจริญอะไรไม่เจริญอะไรเนี่ยเราก็ทำอะไรผิดทำอะไรถูกทั้งหลายเราเนี่ยสติจะคอยกำกับเลิกให้ละสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่ถูกนี่สติตัวนี้มีนะมีหรือไม่มีตัวกําหนดความแม่นยำในธรรมะนี่มีไหมมีไม่มีแยกออกไมน่น้นแยกไม่ออกเลยเลย ไม่รู้เลยเลยวตัวเองน เ, อเนี่ยขาอเลอะเลือนนี่ขาดสติตัวนี้ขาดอภิลาปาลานาล k a r n a สติกับอุ ป, ปนุปปทานนาล k a r n a t a k ถ้ามีการไม่เลอะเลือนกับมีการกําหนดได้อย่างแม่นยำใช่มสองสอความหมายเนี่ยบางคนขาดเลยนะสติตัวนี้ กำหนดไม่ได้เลยตัเองมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธามีศีลหรือไม่มีศีลมีสารณะหรือไม่มีสารณะตอนนี้ตนเองเจริญเมตตาได้หรือยังกรุณาเมตตาเบกขาเจริญได้หรือยังหรือเมตตามันน้อยลงกรุณามันน้อยลงเมตตามันน้อยลงเบกขามันน้อยลงเนี่ยรู้ไหมถ้ารู้อย่างนี้ไม่เรุเรือนอย่างนี้แปลว่าสติประเภทแรกนี่มี <laughs> เพระสติเนี่ยจะคอยกระตุ้นเตือนสมยุท ธ, ธรรมเหล่านี้แหละนี่ประการแรกประการที่สองเปรียบเสมือนกับนายทวานของพระราชามหาดเล็กรักษาพระองค์เนี่ยนะที่คอยกราบทูลว่าบุคคลผู้นี้ต้องผ่านเข้ามาสู่พระราชวังและคอยสอดส่องดูว่าคนที่ได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้เข้าไปในพระราชวังเนี่ยออกไปหรือยัง ถ้ายังก็คอยกันบุคคลที่เห็นว่ามีโทษออกไปเสียไม่ให้เข้าไปทําอันตรายต่อพระราชาหรือราชประหลังเป็นต้นลักษณะอย่างนี้เหมือนนายทวารประตูกันการบุคคลที่ควรไม่ให้เข้าก็ไม่ให้เข้าใครเข้าไปแล้วถ้าลู้ว่จะเป็นโทษต่อพระราชาก็ให้คัดออกไป เอาละสิตนี้สติอย่างนี้มีหมายว่าเวลาบาปมันเกิดขึ้นปุ๊บสติก็เตือนแล้วก็กระตุ้นเตือนระลึกให้สิ่งชั่วร้ายออกเช่นความเครียดความโกรธความหงุดหงิดความพุ่งสั้นความไม่มีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้สติจัดการพวกนี้บ้างไหม <c oughs> เร็วไหมหรือปล่อยบาปแช่อยู่นั่นนานๆเคยเป็นไหม อย่างนี้ขาดสติประเภทนี้โอ้โหเนี่ยพอพูดถึงตรงนี้เราจะเห็นข้อบอกพร่องเราเยอะเลยนะเนี่ยนะเห็นไหมแมงมีไหมสติประเภทนี้มีเยอะไหมไปปล่อยบาปมันไปอยู่ในใจตั้งนานแล้วก็ปล่อยอยู่งั้นแหละไม่รู้ตัวเองเลยเนี่ยว่าจะมีโทษต่อชีวิตจิตใจยังไงเนี่ยประการต่อมาเขาอุปมาเหมือนกับปรินายกแก้วของพระราชาเนี่ย ที่คอยกราบทูลแล้วก็ว่ามีให้บอกพ้องปรินายกแก้วเนี่ยตรวจตาเลยคนที่มีสติประเภทเนี้โอ้โหตรวจตาเลยตรวจตาทั้งด้านของธรรมะทั้งด้านบุคคลเลยนะเช่นสถานที่เนี่ยอย่าไปถ้าไปแล้วจะเสียหาให้บาปมันจะเกิดบุคคลนี้อย่าไปคบถ้าไปคบแล้วมันจะทําความมัวเมาลุ่มหลง ให้ครอบบุคคลนี้ให้ไปสถานที่เนี้ไอสติประเภทนี้เรามีสูงไหม <c oughs> เหมือนปริญายกแก้วเลยเนี่ยโอ้โหตรวจตาป๊อป๊อปป๊อเลยอ่ะสิบหกยอดอย่งนั้นถ้าเป็นปรินายกแก้วจริงๆเนี่ยสามารถมองเนี่ยมองได้เรื่อขอไปมองได้สิบหกกิโลเมตรในบริวารสิบหกิโลเมตรเนี่ยบริเวณสิหกกิโลเมตรเนี่ยรู้เลยว่าใคร ใครที่จะเป็นโทษกับพระราชาหรือเป็นคุณกับพระราชาเนี่ยก็จัดการคนที่เป็นโทษออกไปแล้วก็รู้ว่าจะเสด็จไป ต, ตรงนี้มันจะมีโทษแน่นอนมีคนปองร้ายอยู่ไม่ปองร้ายอยู่คนคิดให้โทษให้คุณยังไงเนี่ยเอาเลยสติประเภทที่ว่าถ้าไปหาคนนี้แล้วกุศลเราจะเกิดไปหาคนนี้แล้วบาปจะเกิด ถ้าคอบคนนี้แล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองทางด้านคุณธรรมอย่างไรไปสถานที่นี้แล้วจะได้กุศลได้อกุศลอย่างไรสติประเภทนี้มีหรือไม่มีเนี่ยกแลกฝึกสติเหล่านี้ให้เกิดโอ้สำคัญไหมสําคัญไหมเรื่องสติเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะตัวสติกิจของสติมีการไม่หลงลืม คำว่าไม่หลงลืมเป็นกิจเนี่ยก็หมายการที่บุคคลจะสามารถทํากิจการงานหรือพูดที่ล่วงมาแล้วแนี่นานได้ไม่หลงลืมเนี่ยเพราะสติเป็นผู้แสดงบทบาทหน้าที่นีการที่บุคคลทําสิ่งใดไว้เนี่ยโดยไม่มีการผิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนเช่นทําพูดคิดพิจารณากิจกรรมต่างๆทัง้ ง, งทางโลกทางธรรมมันรู้ล่วงไปได้ดีอ่ะอันนี้ก็คือกําลังของสติล้วนๆนี่นะ สติในที่นี้มีหน้าที่ควบคุมด้วยนะกำกับด้วยดูแลด้วยคุม้มครองป้องกันด้วยไม่ให้เกิดการหลงลืมเสียหายเนี่ยการที่ไม่ผิดพลาด ท, ทั้งหลายอลไรเนี่ยกําลังของสติเฉนั้นสติเลยกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อการหลงลืมคนที่ทําอะไรก็ลืมทําอะไรก็ลืมเนี่ยแปลว่าเผลอหรือขาดสติมองเห็นไหมขาดสติกําจัดความหลงลืมได้ เตือนตัวเองไม่ให้หลงลืมเนี่ยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาเหตุพิจารณาผลสติทําหน้าที่ในการระลึกถึงทานถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาได้ค่อนข้างแค่วครองว่องไวได้ทีนี้ถามว่าอาการปรากฏเป็นยังไงสติเนี่ยจะสามารถรักษาอารมณ์ไว้ ไม่ออกไปจากจิตคําว่ารักษาอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นเวลาสติรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็รักษาคุณของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้คุณของพระพุทธเจ้าหายไปจากใจหรือรักษาคุณของวัฒธรรมไม่ให้หายไปจากใจรักษาคุณของพระรีอสง์ไม่หายไปจากใจกเ น, จใจนี่ยนะหรือรักษาคุณความดีไว้ทั้งหลายเหล่าเนี้ยไม่ให้หายไปจากใจมองเห็นไหมเ อ, อสติเป็นอย่างนี้ นี่รักษาอารมณ์สติตัวนี้มีหน้าที่รักษาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการจดจ่อต่ออารมณ์เป็นอาการปรากฏก็ได้ผลที่เห็นประจักษ์ของสติก็คือการรักษาสภาวธรรมของอารมณ์ที่จิตเข้าไปรับรู้ไว้เนี่ยยึดหน่วงอารมณ์ไว้ไม่ให้เลือนหายไปเอางี้พอบอกว่า อารหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกเส้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะข้าพเจ้าอาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่นะพอระลึกถึงตรงนี้ปุ๊บนะ พอเข้าใจสภาวะตรงนี้พบว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วพระพุทธเจ้าตัสรุวอริยสัจ ส, สีได้ด้วยตนเองข้าพเจ้าจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าให้ได้พอพอจตรงนี้ได้แล้วเข้าใจนะสติดึงข้อมูลนี้มาตลอด ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทํากิจใดๆก็แล้วแต่เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องการฝึกตนเพื่อมุ่งหน้าจากการฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพุทธเจ้าได้เป็นพันธสัญญาใจหรือการกระทําในการที่จะฝึกตนเองทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ไม่เลอะเลือนนีไม่เลื อ, อนนะอหายเลยความรู้สึกตรงเนี้ความเข้าใจตรงนี้ความทรงจําตรงนี้สติตรงเนี้ไม่เคยเลอะเลือนไปจากใจเลยเป็นไม่เป็นมีไหม มีไม่ความรู้สึกตรงนี้อ้าวไม่ต่อเนื่องบ่อยไม่บ่อยเกิดบ่อยไม่บ่อยความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เกิดบ่อยไหมเอาใครเกิดบ่อยออยกมือขึ้นเกิดเลยน้ยเกินไหม ฮโอ๊ยไม่ออแล้วเหนื่อยแล้วนี่เลอะเรือนนี่ <c oughs> งั้นถามดีกว่าเนี่ยถ้าอธิบายเนี่ยเราก็เหมือนฉันไปเล่าอะไรให้นกให้กาฟังเลยฉันว่าเนี้ยฉันถามเลยดีกว่าถ้าตอบไม่ได้จะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจดีไม่ดี คำว่าอารักขาปัจจุบถ า, านาเนี่ยหรือวิสยะพิมุกขาภาวะปัจจุบัานาสองสั์เนี่ยรักษาอารมณ์ไว้ไม่ให้ออกไปจา ก, กจิตเนี่ยเป็นอาการปรากฏเนี่ยรักษายัางไงเนี่ยอธิบายไปตั้งยาวในคำนี้เอ า, า, า, เาเทำยังไงยังไงไรเรียกว่ารักษาไว้ รักษาอย่างไงถามว่ารักษาอย่างไงเรียกว่ารักษาไอ้ น, นั่มนมันคำพูดไอ้การการะทาที่เรียกว่ารักษานั้นมันทำยังไงได้ชีวิตจริงท่านทำได้ดี ถ้าคำว่ารักษาอารมณ์นั้นไม่ให้ไม่ให้ออกไปจากจิตเนี่ยทํำยังไงอ่ะช่วยอธิบายหน่อยทีช่วยอธิบายหน่อยทีเมื่อสักครู่ยกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกันตังอภิวาเทมีใช่ไหมพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสแตสรู้ชอบได้โดยตนเองข้าพเจ้าพิวาสพทะเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบอกว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ เราเป็นบุรุชนเนี่ยพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัสมพุท ธ, ธาแต่สรู้ชอบได้ด้วยตนเองเนี่ยข้าพเจ้าพิวาสก็บแปลว่าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองจากมนุษย์เป็นพุท ธ, ธาตามพุทธเจ้าให้ได้กรณีที่เราตั้งใจอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ทํากิจกรรมของชีวิตแต่ตลอดเนี่ยจิตสํานึกตรงเนี้ยมันมันระลึกอยู่ตลอดบ่อยครั้งไหมว่าเรามีภาระหน้าที่อะไรเรามีภาระหน้าที่ในการที่จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุท ธ, ธาตามท่านเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย การละลึกตรงนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ท่องไปวันๆแต่จิตสำนึกนั้นไม่เคยอยากจะไปถึงตรงนั้นจริงๆเลยมันเกิดไหมตรงนี้นั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้การรักษาการไม่เลอะเลือนการไม่เลอะเลือนจากความเข้าใจจากที่ปัญญาเนี่ยทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วศรัทธาทาความเข้าใจเรียบร้อยแล้วความเพียร สติทั้งหลายทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในห่วงใจเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วมันเก็บแล้วแล้วก็ดึงความรู้ความเข้าใจนั้นอ อ, อกมา ล, ลึกอยู่เสมอไอ้ตรงเนี้เขาเรียกอะไรสติเ้เาทำหน้าที่อะไรอารักขาปจุปฐานารักษาอารมณ์นั้นไม่ออกไปจากจิตก็คือทำให้อารมณ์นั้นไม่เลอะเลือนไม่หายไปก็ยัง และเลิกถึงความเข้าใจถึงเหมือนท่านเรียนหนังสือท่านมีพันธกิจว่าจะต้องเรียนให้จบมีภารกิจที่ต้องเรียนให้จบถึงจะเป็นมือเล่นอย่างอื่นแต่จิตใจยังมีความมุ่งมัน่นว่าเรายังไม่จบแล้วจะต้องจบให้ได้ท่านเคยเป็นแบบนี้ไหมเออแบบเนี้ไอ้ก้อนเนี้ยท่านยังไม่เป็นพุทธะเนี่ยท่านเป็นบุรุชนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยภารกิจของท่านก็คือยังไม่สามารถเป็นพุทธะได้แต่เราจะต้องเป็นพุทธะได้ตรงเนี้ยท่านปลูกไว้ในใ จ, จตลอดไหม หรือไม่คิดไว้ไอ้ที่ไม่คิดไว้เนี่ยเขาเรียกไม่มีสติเขาเรียกเลอะเลือนเขาเรียกฟันเฟือนเขาเรียกเรือนหลงแต่ถ้ามีสติกำกับไว้อยู่กับตัวตลอดอย่างเงี้ยนะถึงจะไปเล่นอย่างอื่นบ้างไปทําอย่างอื่นบ้างแต่จุดหมายหลักตนเองตั้งไว้ไม่เคยลืมอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสติรักษาอารมณ์ไว้ไม่หายไปจากจิตรักษาจุดหมายไว้รักษาสภาวธรรมนั้นไว้รักษาความเข้าใจนั้นไว้มีไหมสติแบบเนี้ หรือเพิ่งจะมีหรือหรือไม่เคยมีหรือคิดจะให้มันมีมีไม่ม <c oughs> <c oughs> ีถ้ามันไม่มีมันไม่มีความหมายนะใช่ไหมล่ะมันไม่มีความหมายของการบวชเลยนะเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่มีจิตตรงนี้เลยอะ่ะมันไม่มีความหมายหรอกใช่ไหมที่มีความหมายก็เพราะตรงนี้แหละไอ้ตรงที่ว่าเรามี จิตมุ่งมั่นตรงนี้แหละทีนี้เวลาไปทำอะไรกลายเป็นเรื่องรองไปกินอาหารก็เรื่องรองแล้วไม่ใช่เรื่องหลักเป็นนอนไปใช้ที่อยู่อาศัยไปทำกิจกรรมต่งตางๆเป็นเรื่องรองเพราะเรื่องหลักมันคือจะเป็นพุทธายได้ต้องแยกออกไหมเราไปทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แม่บ้านทาหน้าที่อะไรมันกลายเป็นเรื่องรองหมดแหละแต่เรื่องหลักคือ ไอ้ตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอารักขาปัญญาฐานนาเขาเรียกลักษาอะไรไม่ให้ออกไปจากจิตรักษาจุดหมายนั้นไว้เดี๋ยวไหมรักษาอารมณ์ที่จะทําให้จิตเนี่ยก็สติเนี่ยก็รักษาอารมณ์เกี่ยวกับพุทธคุณเป็นต้นเหล่านเนี้นะความเป็นพุทธะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงสังฆะไว้ไม่ให้เรือนหายไปไม่ใช่ว่าจุดหมายไปไหน ยังมีจุดหมายไหมเดี๋ยวนี้งานมันยุง่ง <c oughs> เออเลอะเลือนหมดแล้วอกวรเป็นแบบนี้ไอ้ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้จุดหมายมันหายไปโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยว่างเลยเรากลับกลายเป็นนะโอ้ช่วงนี้ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเลยโอ้เครียดก็อยู่แค่นี้ยชีวิตนี่พอจะเข้าใจอย่าง ธิรสัญญาปทัานาสติมีอะไรเป็นเหตุใกล้สัญญาอะไรธิรสัญญาปทัานาแปลว่าอะไรหรือสติปัฏฐานาปทัานามีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้งั้นคนที่ไม่มีทีนสัญญาเนี่ยมันมั่นคงเพราะอะไร สัญญาที่มั่นคงนี่เพราะมันเกิดจากการประทับใจสัญญาใครสังเกตดูนะว่าถ้าเราทําอะไรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็แล้แต่ที่ทําแบบประทับใจเนี่ยมันจะไม่ลืมเลยเพราะมันมีการจดจอ่อมีการวิมันมีการคือกระทบกับอารมณ์นั้นค่อนข้างที่หนักหน่วงใช่ไหมอารมณ์ที่หนักหน่วงรุนแรงเนี่ยอารมณ์ประเภทนั้นมันจะจําได้มั่นคงเนี่ยสัญญาประเภทนี้ จะเป็นเหตุไกลของสติจะระลึกไดแต่ระลึกแล้วบาปเกิดระลึกแล้วบุญเกิดว่า ก, กันอีกทีเนอะบางทีก็ระลึกเสร็จก็บาปตามมาเยอะเลยบางคนระลึกแล้วบุญเกิดก็เยอะใช่ไหมเรื่องอารมณ์ก็อีกอย่างกำลังของความสามารถของยาที่จําไว้ได้นี่แหละเนี่ยตั้งอยู่อย่างมั่นคงเป็นเหตุในกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญอ้า สรุปตรงนี้ก็คือสติสองประเภทนะที่จะพูดถึงเมื่อกี้จะพูดเรื่องสมตาเนี่ยเลยต้องดึงลักษณะของสติมเมื่อกล่าวเนี่ยอภิลาปณลัคนาสติกับอุปคันันลัคณาสติอันแรกก็คือสติที่เตือนให้ระลึกถึงธรรมทั้งหลายกับอันที่2 ส, สติที่ทําให้เลือกเอาธรรมไม้ที่ควรเสพ สติที่คอยเตือนให้เลือกถึงธรรมะเนี่ยสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้เป็นสติปัฏฐานเป็นสมมประฐานเป็นต้นอันนี้เขาเรียกเป็นอภิลาปนารคนาสติมีไหมสติประเภทนี้เรามีไหมว่าเราอันนี้มาจากความจำก่นนจำธรรมะไว้เนี่ยเราก็มาเลือกศีล ส, สมาที่ปัญญาทานทานทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาทั้งหลายเลยเนี่ยนะเนี่ย สติไม่เลื่อเรืองกับเรื่องเหล่านี้จําได้จํำธรรมะเหล่านี้ได้มีไหมสติวเิเศษนี้มีไหมนี่ประการแรกประการที่2 อ, อุปกรณ์นะสติที่ชักชวนให้ถือเอาคติทำนี้เป็นประโยชน์ทำนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้เนะีสรุปสติที่ทําให้รู้สึกขณะในการที่จะระลึก ล, ลึกแล้วก็สามารถเอาประโยชน์จากสิ่งต่างๆตรงนั้นได้นี่เป็นอุปคัณ์นนราคานา น, านก็คือว่าทำอันเนี้ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ อ, าอ้าวยางยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวศรัทธากับปัญญาไอ้ตัวสติเป็นตัวกำกับใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดไว้ เป็นตัวควบคุมเออถ้าบอกว่าสติเป็นเครื่องควบคุมเพื่อจะให้ศรัทธากับปัญญามีความสมดุลกันให้วิริยะกับสมาธิมีสมตามีความสมดุลกันไอตัวสติตัวเนี้ยมันจะเลือกว่าไอธรรมะนี้เกินไปไอธรรมะนี้มันน้อยที่จะปรับที่จะระลึก แการที่จะระลึกเพื่อจะให้เอาไปดุลกันไว้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าวาลาน้ศธามันมากเกินไปเนี่ยโอ้เราขาดการวิจัยแยกแยะก็เลยสติก็มาระลึกถึงอะไรระลึกถึงปัญญาดึงดึงอะไรขึ้นมาดึงข้อมูลทั้งหลายขึ้นมาให้ปัญญาตรวจสอบให้ปัญญาฟันให้ปัญญาวิจัยแยกแยะพอปัญญาวิจัยแยกแยะตรวจสอ บ, บเป็นเสร็จปุ๊บตัวศรัทธาลดลงไหม ลดไม่ลดศรัทธาเขาจะค่อยดอบลงมาเพราะศรัทธาไม่ดิ่งไม่ดิ่งไปที่ความเชื่อแล้วมันจะดิ่งไปที่เหตุและผลนะจากศรัทธาที่เป็นอโมริกาศรัทธาก็กลายเป็นอาการละวตีศรัทธามันศรัทธาก็จะเป็นไปกับเหตุกับผลปัญญาเข้ามากำกับอยู่กับปัญญากับกับกับศรัทธาแล้วทีนี้เนี่ยมาจากอะไรมาจากสติดึงข้อมูลขึ้นมานะดึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด จากการฟังใหม่ก็ดีจากการที่มีอยู่ทั้งหมดเหล่านี้ยมาให้ปัญญาฟันให้ปัญญาวิจัยแยกแยะพอฟันวิจัยแยกแยะขึ้นมาปัญญาขึ้นมาหรือยังปัญญาขึ้นมาแล้วได้ดุลกับศรัทธายังได้ดุลทีนี้บางทีไปวิจัยแยกแยะแยกแยะแยกแยะไปเรื่อยเรื่ขึ้นมาเป็นไงต่อเอาอีกแล้วแต่เนี้ยไอตัวศรัทธาลดอีกทําไงต่อวิธีการทําไงต่อ ไปดึงข้อมูลพุทธคุณขึ้นมาใหม่ดึงข้อพุทธคุณมาใช่ไหมพระเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นบุกไลาจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยตนเองพระเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าจากฝึกตนเองเป็นพุทธะตามบ๊อบพุทธเจ้าชื่นใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณ ล, ลึกเลยนะศรัทธาเกิดได้ยังตอนนี้เกิดขึ้นมาอีกแล้ว เราทําอย่างนี้บ่อยๆไหมถ้าไม่ทําอย่างนี้ยุ่งคุณจะทำในใจไม่เกิดมันก็ค้างอยู่นั่นแหละเม้งเคยเป็นไหมเพราะฉนเห็นไหมต้องดึงขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆอขับรถเนี่ยปล่อยตามแยถาได้ไหมปล่อยไม่สนใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไหม ปรับอยู่ตลอดเวลาไหมเวลาขับรถมเมงขับรถไหมไม่ห้ามตอนเมานะไอตอนดีๆอ่ะที่ขับอะ่ะแล้วเป็นยังไงตอนนั้นขับแล้วดูสภาพความเป็นจริงของถนนของพื้นที่ของความเร็วดูตลอดเวลาไหมนั่นแหละไอ น, นี้เหมือนกันเวลาเจริญกุศลต้องปรับตลอดไหมต้องปรับตลอด บางคนมันเป็นอย่างนี้ทีพอได้ปัญญามาก็ดึงไปได้ปัญญาไปได้ศรัทธามาก็เดดดิงไปได้ศรัทธาอยู่อย่างเนี้ยโหยากเนาะยากไหมเนี่ยอา้าวตอนนี้ช่วยอธิบายคู่ของวิรยิยะกับสมาธิหน่อยใครช่วยอธิบายเหนือจะเอาสติไปดุลยังไงสติไปดึงข้อมูลอะไรมาอา้าวถ้าความเพียรอ่อนทํำไงต่อ เอาสติต้องทำหน้าที่อะไรดึงยังไงวิธีดึง เ, เลือกยังไงที่ ท, ที่เคยทำในชีวิตจริงๆที่เคยทำอะ่ะถ้าไม่เคยทำก็บอกไม่เคยทำเลยนะถ้าใครเคยทำมาแล้วก็บอกเวลาเกิดมันมันมันเกียรค้านเน่ยเคยเป็นไหม ไม่อยากจเจริญกุศลมันรู้สึกเฉยชา้าเพื่อเพลิ น, นหงอยเหงาเศร้าซึมเนี่ยตอนนั้นจะระลึกอะไรอ่าระลึกจิตหมายใจทางอา้าวระลึกอะไรระลึกถึงนรกยังเกีเ่ยวอะไรกับระลึกถึงระบาย ขอให้ลือกอย่างนี้เลยอ๋อใช้อย่างนี้เป็นอะไรลึกใช้อะไรเ ล, ลือกนะเมื่อกี้ใช้สติใช่ไหมอ๋อเ ล, ลึกถึงนรกอ้าวแม่งแม่งเ ล, ลือกอะไรเวลาเกิดมันเกิดเกลียจค้านขึ้นมาเ ล, ลือกอะไรมันไม่อยากทำความเพียรไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากจเจริญกุศลไม่อยากอะไรทั้งนั้นอยากจะนอ น, น, อนสบายๆเพลินๆเคยเป็นไหมเออหน้าเ ล, ลือกอะไรหรือปล่อยไปเลย ปล่ <laughs> <laughs> อ, อยมมแล้วโอ้น่ากลัวจังเอ้ายอมมีเลือดเลยอ๋อที่คิดทำอย่างนี้ใช่ไหมในชีวิตเอา้ยายอมระดาบเลือดเลที่เคยใช้อะ่ะอ๋อคิดอย่างนั้นเลอเอา้ามินนินว่างไงถ้าขี้เกียจ ปล่อเพื่อนๆไปโอ้เหมือนเม้งเปรอะโอตายชีวิตนี่เตรียมอย่างนี้ธรรมะที่ควรระลึกในขณะที่มันเกิดความเกลียดค้านเนี่ยพระเจ้าสอนไว้เยอะไหม ที่จริงพระเจ้าสอนในเรื่องของหลักการระลึกเพื่อให้ระดมความเพียรเนี่ยมากจริงๆนะทั้งชาติภัยชร า, าภัยพญาธิภัยมรณ น, านาภัยนยีทุกในสังสารวัฏทุกในอบายทั้งหลายเหล่านี้อีกเยอะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการที่เราอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเจอศาสนาของพระเจ้าเนี่ยเนี่มันเป็นสิ่งที่ยากขนาดไหนการได้ฟังพระธรรมของพระเจ้ามันยากขนาดไหนการครอบหาการยาณมิตรมันยากขนาดไหนอัตภาพที่จะมาเจอในสิ่งเหล่านี้ การที่เรายังสามารถจะเจริญกุศลได้ในวันนี้อเดี๋ยวเราก็ป่วยเดี๋ยวเราก็เจ็บไข้เดี๋ยวเราก็เจอปัญหาทั้งความหนาวความร้อนเนี่ยโอกาสที่จะเจริญกุศลมันยากมากไอการที่ดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยม่ให้ปัญญาตรวจสอบวิจัยแยกแยะขึ้นมามนจะระดมความเพียรได้เลยนี่เข้าใจไหมสติต้องต้องมากำกับท่านบอกใช้สติสําคัญที่สุดงานเนี้ถ้าเกิดมันหย่อนความเพียรขึ้นมาต้องใช้ทีนี้เอาละสิแต่เนี้ย พอเราปลุกเล้าตัวเองมากๆเข้าเป็นยังไงต่อเอาเป็นไงกรับพรอนเพียนจะจัดแล้วอะไรตามมาเออมันเครียดมันฟุง้งทำไงต่ อ, อทำไงต่อตัเนี้ยต้องใช้ตัวไหนต้องต้องต้องเอาสติดึงข้อมูลอีกไหมดึงอะไรเอาตัเนี้ยเาเดึงอะไรต่อ <c oughs> ดึงยังไง อันนี้คนต้องเคยใช้นะถึงจะสามารถทำเป็นนะดึงอะไรเอาใครก่อนนะเอาเราก่อนนะ อ๋ออันนี้วิธีการของเราเนี่ยอันนี้ของเราห้ามเรียนแบบอันนี้ไม่มีในไม่มีในคำสอนไม่มีในคำสอนสกอเก่งเกียยงหลับไดวว้ว่าไงทำไงที่เคยทำ จริงๆมันทำได้ไหมไม่ที่เคยทำผ่านมาทำได้ไหมไม่ค่อยได้งั้นไม่เอาแล้วครับไม่ค่อยได้เอาทำยังไงเวลาเกิดความเครียดความกัดกร่มขึ้นมาทำไง ให้เอาสติไม่ใช่เอาสมาธิกระป๋ น, นี่กำลังพูดเรื่องสติ เพลงทำยังไงเวลาเครียดไม่ใช่เปิดเพลงฟังดูข่าวอ <c oughs> ้ า, อายมมวีว่าไงทำไง เ, เคยเป็นไหมคเครียดทำยังไงวิธีแกเปิดธรรมะฟังฟังธรรมะ ขอเครียดใช่หอ๋อีายอม หมดเลยความเป็นพุทธก็เข้าใจก็เข้าใจแล้วไม่ได้ไปว่านะใช้คาว่าหมดเลยความเป็นพุทธก็รู้แล้วว่าพวกเราใช้เนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่เวลาเกิดความเครียดความกัดกล้มขึ้นมาเนี่ย คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าสอนกับข้อเท็จจริงที่เรามาใช้กันมันมันมันไม่มันเราเราก็แก้ปัญหาเหมือนเราๆรคิดว เ, เองเนาะไอ้ตรงนี้แหละสติจึงมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือเขาให้ระลึกปัจจัติิให้ระลึกถึงสมาธิให้ระลึกถึงอุเบกขาใช่ั้มมุมใดมุมหนึ่งที่เราสนัด ก็คือปัสสัทธินี่แปลความสงบความผ่อนคลายความสงบคือความผ่อนคลายเนี่ยที่มันจะมีความมีดุนยภาพของจิตใจที่มันจะลดอะไรเราจะเป็นอาหารของใจที่จะทำให้เรา ล, ลึกแล้วใจมันเย็ น, ใ จ, น, ยนใจมันเบาอะเราจะลึกอะไรเออถ้าเราลึกถึงคุณธรรมหมวดธรรมะข้อไหนแล้วใจมันเย็นวูบลงวาบลงอันนั้นแหละ ใช่ไหมระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณหรือสังกคุณอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันหรือระลึกถึงคําสอนที่จะเกิดให้การผ่อนคลายได้นะคําสอนเกี่ยวในเรื่องของบทสวดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยที่ระลึกไปแล้วเนี่ยจิตมันวูบลงมันผ่อนคลายลงหรือระลึกถึงให้เห็นประโยชน์อะไรเห็นประโยชน์ของสมาธิเห็นประโยชน์ของความสงบ เห็นประโยชน์ของความเยือกเย็นพอเราไปดูคนของโอ้เนี่ยจากภาวะกายก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบความพุ่งซ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยกรณีอย่างนี้เราก็มามาลึกเราไปใส่เชื้อไม่ได้เลยตอนนี้มันไฟมันลุกอยู่ใช่ไหมเมื่อไฟลุกอยู่เนี่ยเอาอาหารคือน้ํามันไปใส่เอาย้าแห้งไปใส่เนี่ยเอาไม้แห้งไปใส่มันยิ่งลุกใหญ่เลยเนะวาระนั้น ต้องโรยฝุ่นเข้าไปเอาเอาไม้สดเข้าไปใช่ไหมหรื อ, อน้ำเนี่ยไฟมันนึงจะดับเหมือนกันเราระลึกอะไรอยู่แล้วจิตมันฟูขนาดนั้นจิตมันมั น, ม, นมันกล้ามปุ้งขนาดนั้นก็ต้องหยุดระลึกเรื่องนั้นก็มาระลึกอีกเรื่องหนึ่งก็ระลึกอีกเรื่องหนึ่งที่เคยระลึกแล้วจิตของเราสงบมีอะไรบ้างที่ผ่านมาในชีวิตทีนี้คนโดยส่วนใหญ่ อย่างคนทุกปัจจุบันนี้ก็เอาเกมมาเล่นใช่ไหมเอาเกมมาเน้ น, นี้ไม่ได้แก้หรอกมันเปลี่ยนเก็เหมือนเปลี่ยนอารมณ์เหมือนไปฟังเพลงเหมือนอะไรก็แค่ก็แก้แค่นั้นเองแต่ความสดชื่นแห่งจิตหรือปัญญาที่จะรู้หรือเข้าใจหรือเกิดความลึกซึ้งในคุณของพุทธิยามันไม่เกิดเลยนะแบบนี้งั้นตรงเนี้ยถ้าฟุ้งขึ้นมาก็ให้มนัสการไอ้คำไอ้สติเนะี่ยดึงข้อมูล เราเรารู้ไหมว่าข้อมูลอะไรเมื่อเราระลึกแล้วใจเราผ่อนคลายมากที่สุดระลึกถึงธรรมะหมวดไหนเคยจําไว้ได้ไหมเออเนี่ยเราก็ระลึกถึงหมวดธรรมนั้นแหละนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเรายังสงบได้เลยใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีมหากรุณาธิคุณกับเราอย่างไรแต่ตอนนี้เราไปฟุ้งซ่านเรื่องอะไรเรื่องของใครเนี่ย ทำไมเราไปกังวลบางคนกังวลกลัวคนนั้นไปทำผิดกังวลกลัวคนนั้นไปทำไม่ถูกเคยเป็นไหมกังวลเหลือเกินเขาไปทำอย่างนั้นไปทำไม่ดีไม่งามทำผิดศีลทำแรงต่างเนี่ยไปกังวลทำไมแล้วก็ดึงคุณของพระเจ้ามาไว้ในใจเราโอ้แค่ตัวเราเองเรายังจะดูแลไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเรายังจะไปดูแลใครดูแลจิตใจของใครดูแลบาปกรรมของใคร เชิญตามสบายเถอะถ้าคุณจะทำบาปในเรื่องของคุณแล้วฉันจะวางใจเป็นกลางสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมอะ่ะถ้าคุณไปทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เกิดกับคุณไม่ได้เกิดกับเราคุณกับเรามันก็คบกันชั่วคราวแค่นี้แหละชัดเลยไ้มแบบนี้เอาที่คุณอยากได้บาปก็เรื่องของคุณเนี่ยเราก็เดินตามทางของเราไปไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมล่ะอันอันนี้ บางทีว่เอ้ยนี่ลูกเรานี่สามีเรานี่ภรรยาเรานี่พ่อเรานี่แม่เรานี่น้องเรามันก็ลูกชั่วคราวพ่อชั่วคราวแม่ชั่วคราวบุตรสามีชั่วคราวเพื่อนชั่วคราวแต่เรากุศลมันเกิดกับเราอกุศลมันเกิดกับเราบาปเกิดกับเราบุญเกิดกับเราแล้วก็ตลาดก็เลือกฟันบุญที่เกิดกับเราสิพิจารณากรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัว เราทำบาปเราก็ต้องได้ราับบาปเองใครทำบาปคนนั้นก็ต้องได้รับบาปเองเราทำบุญเราก็ได้บุญพอพิจารณาอย่างนี้วางได้ไหมคิดเรื่องกรรมผลของกรรมผลกรรมผลกรร ม, รรมพอคิดในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุเรื่องผลใจสงบไหมวางใจเป็นกลางยังไ ง, ถ, ง, งถ้าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่แล้ ว, ลวให้เกิดความเข้าใจดิดึงข้อมูลเหล่าเนี้ยให้เกิดความสงบ ดึงดึงขึ้นมาอ๋อเข้าใจเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมตัวสติไหมสำคัญไหมเนี่ยเนี่ยสติทีนี้พอพอดึงดึงมาจิตเริ่มสงบนะเข้านะเข้าก็ระลึกถึงกรรมฐานหมดได้หมดหนึ่งพอจิตเริ่มสงบจะดูลมดูอะไรหรือไม่งั้นก็สาธยายอิติพิโสพระคาวาอะ แม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสจิตเริ่มสงบไหมเริ่มสงบนะโดยมากจะสงบหรือบทใ ด, ดบทหนึ่งก็ได้สาธยายและสงบพอจิตเริ่มสงบตอนนี้กุศลเกิดแล้วนะก็วางใจเป็นกลางปัสสัตติได้สมาธิได้อุเบกขาได้เออแต่พอได้อย่างนี้ก็คือเนี่ยความสงบเกิดขึ้นทีนี้พอสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม, น, ม, นมันเริ่ม เฉยชาแล้วใช่ไหมเริ่มเฉยชาเริ่มเกียรตคาาเริ่ม อ, อะไรต่อเดีย๋ยวนี้ต้องดึงวิริยะอีกแล้วให้อาหารวิริยะอีกแล้วก็คือไปดึงข้อมูลเห็นไหมตอนนั้นก็ต้องไปพิจารณาเลยธรรมวิจยะอุ้ยเวลาวิจัยน้อยไปอย่าลืมนะไอตัวฟงเนะี่ยห้ามวิจัยเยอะ อย่าไปวิจัยเยอะเด็ดขาดนะวิจัยเยอะยิ่งฟุ้งแปลว่าเราเอาญ้าแห้งไปใส่ไฟนะอย่าไปวิจัยเพราะตอนนี้มันอยู่ภาวะฟุ้งอยู่วิจัย น, น้อยๆดิ่งในคุณแบบเป็นเป็นบทๆเนะี่ยบทเดียวหรือระลึกกรรมฐานบวชได้บทหนึ่งนึกถึงคุณความสงบทีนี้พอมันระหว่างฟุ้งกับสงบเนี่ยอะไรมามากกว่ากันมาเร็วกว่ากัน อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรามากกว่ากันในชีวิตพุ่งมากกว่าใช่ไหมทุกคนเลยดิพุ่งมากกว่าไหมชีวิ ต, วตอะไรพุ่งจานสิ ตัวเนี้ตัวสติที่จะต้องคอยดุ น, นสำคัญออสมาธิจะไม่ฟุ้งถ้าไอาที่ไปคิดมากวิจัยมากนั้นจะเป็นด้านปัญญาใช่วิริยาเนี่ยเวลาเพียนมากๆมันอยู่ฟุ้งเพียนคิดมากๆเพียนวิจัยมากๆฟุ้ง ก็คือจริงๆมันมาด้วยกันนั่นแหละในขณะที่เรามาหยิบหมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาวิจัยมากมากมา ก, มากไปเนี่ยแต่เข้าแต่เข้ามันนอนไม่ได้เออตรงเนี้ยวิธีการตรงเนี้ยหยุดวิจัยหันมาใส่ใจถึงความสงบใส่ใจถึงสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิต และใส่ใจถึงการวางใจเป็นกลางพิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองพอวิจัยอย่างนี้แบบใช้กําลังการวิจัยน้อยลงน้อยลงแล้วก็มาอยู่กับการระลึกอาจจะอยู่ที่ลมเข้าลมออกกระทบเข้ากระทบออกให้สงบสงบลงกันวิธีแก้อย่างนี้เป็นต้น น, นะแต่มีเรื่องอื่นที่เยอะที่เราจะสามารถคิดถึงเรื่องใดเรื่งสงบอันนี้แปลว่ามันมันตเตลิดนั้นอย่าเอียง มันจะขาดสมตาขาดมัชิมาปิปทาขาดการสมดุลนะมันจะขาดเนี่ยเราจะปรับไปตลอดเวลาเพื่อนเหตุที่ทำให้เกิดสติมีสิบเจ็ดอย่างนะเยอะมากหนึ่งสติเกิดเพราะการรู้ยิ่งอะตรงไหนรู้ยิ่งเมื่อเรามีปัญญา วิจัยแยกแย่ฟังข้อมูลอะไรมามากๆากจนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดได้หรือไม่ได้เราเรียนรู้อะไรมามากๆเรียนรู้ธรรมะมารู้อย่างชัดเจนนะรู้เรื่องสติเรื่องรู้เรื่องของพุทธเจ้าก็ดีเรื่องทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลพอเรามีความรู้เรื่องนี้มากๆแล้วสติเกิดได้เร็วไหม สติจะเกิดขึ้นเร็วเนี่ยสติเกิดจากว่าความรู้ยิ่งอย่างเงี้ยนะจะทําจะพูดจะคิดนึกง่ายระลึกอะไรก็ที่ระลึกไม่ถึงระลึกไม่ออกเนี่ยสิ่งเหล่านี้เพราะเราฟังมาเยอะการฟังข้อมูลมาเยอะๆจะเป็นเหตุให้สติเกิดได้รวดเร็วขึ้นข้อนี้สําคัญหรือไม่สําคัญดังนั้นพวกเราที่ฟังฟังมากๆสติจะเกิดได้เร็วฟังเรื่องบาปเรื่องเรื่องชนกกรมอุปธรมภพกรรมอกปีกรมอุปคาตกรรมเ ป, ป, ป็นต้นจะระลึกถึง่องกรรมไดไดเร็ว ฟังเรื่องพุทธคุณก็ระลึกถึงพุทธคุณได้เร็วฟังเรื่องธรรมคุณก็ระลึกถึงพระธรรมคุณได้เร็วฟังเรื่องสังคคุณก็ระลึกถึงสังคคุณได้เร็วฟังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาก็จะระลึกเรื่องนั้นได้เร็วเนี่ยการรู้ยิ่งรู้ข้อมูลเยอะๆเป็นเหตุให้เกิดสติได้เร็วดังนั้นคนที่ข้อมูลพวกนี้น้อยสติเกิดน้อยเหมือนกันเข้าใจนะข้อที่สองสติเกิดพอซับอ้า ลองช่วยอธิบายที่สติเกิดเพราะทรัพย์ได้ยังไงคนคนคนมีทรัพย์เนี่ย เขาจะเบาใจไม่ต้องเดือดร้อนในการหาทรัพย์ฉั้นเวลาจ ะ, จะเจริญกุศลทํากิจการต่างๆจิตมันโปร่งโล่งไม่เครียดฉนั้นคนที่เครียดเนี่ยสติจะไม่ค่อยเกิดเช่น ว, ว่าโหต้องหาเช้ากินค่ำเนี่ยกลุ่มบุคคลนี้จเจริญสติได้ยากมากจะเยินทานกุศลศีลกุศลภนานกุศลได้ยากฉะนั้นคนมีทรัพย์ได้เปรียบตรงเนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าถือว่ามีทรัพย์ไม่เดือดร้อน เดือดร้อนวะยอมรับอยากเดือดร้อนไหมเฮ้ยไม่เดือดร้อนเดือดร้อนจะหยุดงานได้เป็น7จเจ็ดวันได้ไงใช่ไหมเดี๋ลองถ้าลองกังวลในเรื่องนี้โอ้โหเจริญสติยากเนะยใช่ไหมอาสติเกิดจากความรู้สึกอันโอลานคืออะไร คนที่มีความรู้อะไรแบบกว้างขวางเนี่ยเช่นรู้พุทธคุณก็รู้ลึกเลยอะรู้ธรรมะก็รู้แบบกว้างขวางรู้แบบโอลาณรู้แบบเชิงลึกเลยในยสติเกิดได้ไง่ายไหมเนี่ยง่ายมากเอาสติเกิดเพราะความรู้สึกนึกคิดถึงความสุขที่ได้รับมาได้ประสบมาคนที่เคยมีความสุขมาในอดีตมาดีๆมีความปร่งโล่งมาเยอะๆเนี่ยสติเกิดง่ายหรือไม่ไง่าย สติก็จะเกิดง่ายมากใช่ไหเราเลือกไปในการงานต่างๆมันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตกุศลจิตเกิดได้ง่ายทีนี้คนที่เคยประสบความทุกมาปัญหาชีวิตสติเกิดง่ายไหมคนเจอปัญหาเคยเจอทุกมาอย่างหนักอาที่นั่งๆไว้ใครเจอทุกอย่างหนักคิดว่าเราเราก็คนหนึ่งที่เจอทุกมาอย่างหนักเลยย้ำจำจากเคยไหมทุกแบบหนักๆเลยเครียดมากย้ำแมะเคยไหม สติไม่ค่อยเกิดเท่านั้นเไม่เคยเจอความทุกข์หรือปัญหาชีวิตหนักๆไม่เคยเจอใช่ไหมสติเกิดยากเท่านั้น <c oughs> <c oughs> เคยใช่ไหมย้อนว่าดาเคยไหม เ, ออเคยใช่ไหมเคยใช่มโอ้ความทุกข์อันที่อันที่สองอันแรกคือความสุขความสุข ก, ก็เป็นเหตุให้เกิดสติเกิ ด, กดที่เคยประสบมาใช่ ความทุกข์เนี่ยก็คือระลึกถึงความทุกข์ยากลําบากที่เคยประสบมาเนี่ยก็เกิดเข็ดขยะดต่อความทุกข์นั้นแล้วก็สํารวมระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดหวงจะต้องประสบความทุกข์อีกก็พิจารณาถึงเหตุถึงผลถึงข้อดีข้อด้อยข้อเสียทั้งหลายพิจารณ า, า ง, งี้ปุ๊บก็เกิดระมัดระวังขึ้นมาอันี้สติเกิดอย่างนี้ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือคนที่เคยรับความสุขมาเยอะๆ อย่างเราเคยผิดหวังเรื่องอะไรมากับชีวิตเ น, นี่ยเคยผิดหวังอ่ะเนี่ยตระกูลเคยผิดหวังกันมาทั้งนั้นเนี่ยผิดหวังชี้ไปหาคนอื่นหนึ่งนิ้วเข้าหาตัวเองสามสี่เนี่ยทกุกนี่สติจะเกิดงั้นใครที่ทําให้เราทุกข์มากที่สุดเราต้องขอบคุณเขาไหมขอบคุณเขาไหม ทำให้สติเราเกิดเมงเคยไหมคนที่เขาเคยทำให้เราทุกข์มากๆมีไหมเป็นพราเขาหรือเป็นพวาะเราเอาสติเกิดพอนิมิต <c oughs> ข้อต่อไปเนะี่ย ก็คือเหตุการณ์ที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยประสบพบเห็นมาเออนิมิตคือเห็นนิมิตต่างๆที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแก่ตนเองนิมิต ด, ดีก็ได้นิมิตร้ายก็ได้เนีาะก็เกิดสติรู้ถึงต้นสายไปเหตุแล้วเขาย า, ายามหาทางป้องกันนิมิตร้ายนั้นนั้นอา้าวเรื่องร้ายๆที่เราเคยประสบมาแล้วเราก็มาเห็นเหตุร้ายๆมันเกิดกับคนอื่นก็ได้เช่นรถชน อุบัติเหตุไนั้นเราก็เคยไปเกิดอุบัติเหตุมาแล้วแต่เราเคยพ้นตรงนั้นต่อมาเรามาเห็นอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเนี่ยนิมิตร้ายเนี่ยสติจะเกิดโอ้โหทําให้รู้สึกสมรวมระวังขึ้นมาแหมต่อไปต้องระมัด ร, ระวังยังไงเคยไหมแบบเนี้ยเนี่ยเสติเกิดหรือเรื่องอื่นอีกเยอะนะเรียกนิมิตเกิดมาเพราะนิมิตรหรือบางอย่างสติเกิด พรานี่มิดอีกเหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่ได้ประสบพราะเห็นมาเราไปเชื่อมได้เช่นเราเห็นอีเหตุการณ์หนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยประสบเลยนะยกตัวอย่างเช่นว่าเราพ่อเราเคยป่วยเป็นโรคโรคร้ายเนี่ยแต่เราไปเห็นอีกคนคนหนึ่งนะเขาเขาไม่ได้ป่วยแต่เป็นประสบอุบัติเหตุมันคนละเรื่องกันเลยนะ แต่เราไปเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถกลับระลึกถึงเหตุของที่พ่อเราเคยเป็นโรคร้ายตายเสียชีวิตกับเหตุการณ์ของอุบัติเหตุมันก็สามารถมาระลึกเชื่อมโยงว่าอ๋อไอเรื่องเหตุของความตายมันมีทั้งเยอะแยะมันไม่ใช่แค่เหตุแห่งการโรคร้ายอย่างเดียวแม้ประสบอุบัติเหตุก็ตายได้และอย่างอื่นก็ตายได้ก็เกิดสติระลึกขึ้นมาไม่ประมาทมองออกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสติเหตุเพรเกิด สิ่งที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยพบมาก็สามารถเชื่อมโยงทาให้เราเกิดความระมัดระวังได้หรือเหตุการ์ทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นในเรื่องคนคนนั้นเขาประสบปัญหาเจอวเจอเรื่องที่ไม่ดีปุ๊บเราก็เกิดการระมัดระวังว่าเออไม่แน่นันอาจจะเป็นเหตุการ์อื่นๆเกิดก็ได้มองเห็นไหมนิมิต ด, ดีกับนิมิตไม่ดีเห็นนิมิตที่ได้เคยประสบกับนิมิตที่ไม่เคยประสบ ข้อที่แปสติเกิดเพราะความระลึกรู้ถ้อยคําของคนอื่นก็คือคนอื่นบอกแล้วก็ระลึกตามได้บุคคลบางคนเนี่ยเป็นคนไม่เคยฝึกสติด้วยตนเองเลยแต่อาศัยคนอื่นคอยตักเตือนให้ระลึกทําให้สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยจากความเป็นคนประมาทเลเลือกมากลายเป็นคนสมรวมระวังและสามารถสำเนี๊ยกระลึกรู้สึกตัวนะจากคาตักเตือนจากคาตําหนิของคนอื่น เมื่อผิดแล้วก็แก้ตัวให้ดีขึ้นใหม่ได้อันนี้นเกิดจากการถ้อยคําของคนอื่นเช่นว่าเราไม่ได้ทําผิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่คนอื่นเตือนคนอื่นบอกคนอื่นเตือนคนอื่นบอกตลอดเออเป็นเหตุแห่การเกิดสติแล้วก็ระลึกได้นี่เป็นต้นประการที่เกก็สติเกิดเพราะการกําหนดเครื่องหมายไอ้คําว่ากําหนดเครื่องหมายที่ตนได้ทําไว้ได้ ยังเย้ยว่าบางคนเนี่ยเป็นคนมักหลงลืมพอมักหลงลืมก็เลยทำเครื่องหมายเคยไหมทำเครื่องหมายให้กับตนเองไว้เช่นวางของเนี่ยมันลืมบ่อยก็เลยปึกทำเครื่องหมายไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเครื่องป้องเป็นเครื่องเตือนทำให้สติเกิดได้ง่ายขึ้น <c oughs> บางคนเป็นคนที่เก่งมากในการวางของ วางก็ทําเครื่องหมายไว้หมดพระเจ้าพิดินองค์ปัจจุบันเนี่ยเก่งเลยเวลาไปที่ไหนท่านจะกำหนดเครื่องหมายปึ๊ดปึๆๆปึไวเหมือนให้คนเตือนเป็นคนที่สติรอบครอบมาอย่างเข้าไปท่านจะมองเห็นจุดไหนบ ก, บกพร่องหรบกิดใช้สกอ็อตเทปใช่ไหมใช่ ๊บๆๆๆเป็น10 30จุด <c oughs> นี่แป๊บเนี่ยเตือนได้ไม่ไม่ใช่ไปดูแล้วก็เอามาบอกทำเครื่องหมายไว้ให้เลย <c oughs> แล้วก็ทุกคนก็ไปแก้ตามนั้นเนี่ยสตินั้นสติกำหนดเพราะเพราะนี่เป็นเครื่องหมายนั้นตรงนี้ก็คือสติเกิดเพราะความรู้สึก คำว่ารู้สึกได้ในที่นี้หมายความว่าเมื่อบุคคลรู้สึกตัวได้ได้ยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะบางที่ก็ปัจจัยภายนอกก็ได้เป็นปัจจัยภายในตัวเองระลึกเองก็ได้ตรงนี้นะกระตุ้นเตือนให้เกิดความรู้สึกตัวก็จะตั้งสติได้การที่มีการระลึกได้อย่างต่อเนื่องตลอดตลอดก็บอกจะเป็นการเพิ่มพูนกําลังของสติได้อย่างดีอาศัยว่าอยู่ในเหตุปัจจัยแวดล้อมไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนคอยตักเตือนตลอด ในขณะเดียวกันตนเองก็ระ ล, ลึกตนเองได้ตลอดส่วนสติเกิดเพราะการจําได้นี่ชัดอยู่แล้วเพราะสติราสัญญาปัฏฐานานะสติเกิดจากความจำใช่ไหมการกําหนดหมายหเห็นอะไรเร้าจําสติเกิดเพราะการนับการฝึกหัดคิดไอ้ที่ว่านว่าก็คือบุคคลเนี่ยมันนับสิ่งต่างๆอยู่เสมอเช่นเรามีของเนี่ยวางไว้วางไว้วางไว้ก็มันฝึกนับ มีเงินเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่สิ่งของวางไว้กี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นในบ้านมีอะไรบ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยมันนับในใจบ่อยๆ่มันระลึกบ่อยๆก็จะเป็นคนมีสติในเรื่องนี้ดีเป็นแบบนี้ไหมอยู่ในรถก็สามารถร ะ, ะลึกได้เลยว่ามีอะไรวางอยู่ในรถบ้างวางไว้ตรงไหนอย่างไรแล้วมีใครเอามาวางไว้อีกก็สามารถรู้เลยเออนี่ของนี่มาวางเพิ่มทั้งคนเนี่ยขนาดวางนาฬิกาปากกาวางโทรศัพท์ไว้ตรงไหนตรงไหน แค่มาหยิบขยับขยืน่นปุ๊บนี่ยเขารู้เลยนะนี่ยขยับขยื่นของเขาเนี่ยใครเคยขนาดนั้นไหมนี่คือหมัน่นสติเกิดเพราะการหมั่นฝึกหัดคิดนี่แหละหรือการทรงจําเช่นรู้ธรรมะนี่แหละบทต่างๆไว้เยอะท่องไว้เยอะทรงจําไว้มากเนี่ยสติก็จะเกิดเพราะการท่องและการทรงจําสติเกิดเพราะการอบรม อบอรมหมายถึงการฝึกนะการฝึกได้รับการฝึกฝนจากบุคคลที่เป็นกาลยานมิตรก็ทําให้เกิดทักษะในการคิดในการพิจารณาเนี่ยกรณีแบบนี้คนที่มานั่งฟังฝึกอยู่ยบ่อยๆบ่อยๆฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยกำลังสติจะเกิดได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปแต่คนที่ไม่ค่อยฝึกอย่างนี้ไม่ค่อยฟังอย่างนี้สติจะไม่ค่อยเกิดและสติเกิดจากการบันทึกอันนี้พวกเราชอบทาบ่อยอยู่แล้วจดถึงจะบันทึก แล้วก็การเก็บทรัพย์การเก็บออมทรัพย์เป็นเหตุทําให้เกิดสติมีเงินเนี่ยใช่เก็บเก็บตลอดเดี๋ยวมืวถืบางคนอาจจะเก็บไว 500, 500, 500, ้แล้วห้าร้อยห้าร้อยห้า้อยจะเป็นคนมีสติดีฝึกแล้วก็สติเกิดเพราะการนึกเนะี่ยเพราะการนึกถึงสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาก็คือว่าเอางี้ ฉันใช้คำว่าบุคคลที่มีประสบาการณ์มากผ่านร้อนผ่านเย็นมาเยอะเพอผ่านร้อนผ่านเย็นมาเยอะก็นั่นแหละจะเป็นเหตุทําให้สติเกิดเมื่อย้อนกลับระลึกคนที่มีประสบาการณ์ชีวิตมาเยอะๆเนี่ยนะสติจะดีแล้วมันระลึกสถานการณ์ที่ผ่านมาอา้าทําที่เป็นเหตุให้ขาดสติมากๆเป็นยังไง เ, เดี๋ยว ลักษณะของคนที่จะมีสติประการแรกก็คือศักดิ์จัการาลีคือเป็นคนทํากิจทุกอย่างด้วยความเคารพเป็นคนที่มีแล้วก็สาตตจัาการาลีก็คือเป็นผู้กระทากิจอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งทุลักเวลาทําอะไรนะไม่ทิ้งกลางคันถ้าทําอะไรก็ทําให้เสร็จให้รู้ร่วงเราเป็นคนประเภทนี้ไหมชอบทําอะไรแบบทิ้งทิ้งกว้างๆทําไปได้ครึ่งๆกลางๆก็หยุดเป็นไหม ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นคนสติไม่ดีนะแล้วก็เป็นผู้ทำกิจโดยไม่หยุดชะงักเวลาทำไปแล้วเนี่ยพักก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอย่างนั้นชอบทำให้เสร็จเลยเราเป็นคนประเภทไหนถ้าทำอะไรต้องทำให้เสร็จใช่ไหมไม่ชอบครึ่งกลางๆลอ๋อเป็นงั้นเลยดีจะจำไว้ <laughs> ฮะ ชอพักเลยโอ้ชพักไม่ดีสติจะไม่ค่อยเกิดแล้วก็อโนลีนวุติโกก็คือเป็นผู้มีความประพฤติไม่ขาดสายไม่ย่อยหย่อนเวลาทําความเพียรเจริญกุศลก็เจริญติดต่อเลยบางคนเนี่ยเวลาเจริญกุศลเจริญเนี่ยพอพักแค่นี้ก่อนเคยเป็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยสติจะไม่ค่อยเกิดแล้วก็อณิขิตะ ตัดชันโทก็คือเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งฉันทะในใจเข้าใจคํานี้ไหมไม่ทอดทิ้งฉันท่าในใจก็คือมีใจรักในการทําสิ่งที่ดีแล้วก็ทําต่อเนื่องไม่เสร็จไม่ไม่ไม่ไม่สำเร็จไม่หยุดเนี่ยทำคือชอบศึกษาวิจัยแยกแยะฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาเช่นจะรู้เรื่องฉันทะก็รู้ให้ลึกจะรู้เรื่องสติก็รู้จริงๆเนี่ย รู้จนถึงที่สุดจนกลายว่าเอาละค้นได้แค่นี้แหละขนาดว่ายังค้นไม่หมดยังมีเขียนช็อตโน้ตด้วยด้วยนะว่าเอาวันนี้พักแค่นี้ก่อนมีเวลาจะมาค้นต่อออยังมีการเขียนทิ้งไว้อย่างนี้ด้วยนะมีเวลาจะต้องมาค้นต่อมาฝึกต่อในเรื่องนี้ยังเข้าใจไม่ชัดยังคลุมเครืออยู่เอออย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ไหมฉันท่าเด่นไหมเนี่ยคือมีฉันท่าในใจยังต่อเนื่อง โอ้เอาไปทําได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรก็ทําไม่ต่อเ น, นี่ยมีชันทานในใจไม่ต่อกุสเลสุทำเมสุอันนี้ขิดตะดทุโรก็คือเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายศัพท์นี้ดีมากวเวลาเจริญกุศลอยู่ดี ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะทิ้งเฉยเลยไม่เดินกุศลต่อเคยเป็นไม่ได้อโรคแบบเนี้ยเดินกุศลกุศลพอไปเจอปัญหานิดหน่อยทิ้งแล้วไม่เอาแล้วเพราะแล้วเบือ่อ แล้วยังไปทอดคนอื่นไปทำให้กุศลยันเสีย <c ười> คุณก็เดินต่อไปสิเพราะคุณได้กุศลแล้วนี่ใช่ไหมตัวนี้ต้องแก้ไขทีนี้ก็เรียกว่าทอดทิ้งธุระไม่มีอะไรนะเป็นผู้ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมต้องไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมลักษณะของคนที่ขาดสติสิบประการนะเมาสุราข้อแรกเลยเนี่คนเมาสุราเมาสุรานี่เป็นการประทุสร้ายสติเลยเนะ สองก็เล่นเล่อสามก็บ้าคลั่งสี่ก็คนที่มีความคับแค้นใจเยอะเครียด <c oughs> เคยเป็นหัหยคับแค้นใจเน่ยเนยสติหายโกรธแล้วก็คนอดอยาก <c oughs> คนโลภ <c oughs> คนขี้ขลาดเอ้ยคนด่วนได้นี่คื อ, อยังไง คำว่าด่วนได้เข้าใจคำนี้ไหมสับว่าด่วนได้มักง่ายเข้าใจคำว่ามักง่ายไหมคนมักง่ายอ๋อใครเข้าใจอธิบายคำว่ามักง่ายหน่อยดิมีใครเข้าใจคำนี้ไหมเออเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่มักง่ายทําอะไรก็คือมักง่ายเนี่ยแล้วก็คนหมกมุ่นในกาม วันๆก็ขีเ่เตีองกามอยู่นี่แหละคนนี้เขาเรีกว่างี้จะขาดสติเป็นไหมกามทั่วไปแต่แต่ขับเน้นไอ้มีทุนทำด้วพวกนี้ขาดสติขับเน้นลึกๆเชิงเรื่องมือคุณธรรมขี่แต่เรื่องไอ้กามมากิดกา ม, มาคุณตล <c oughs> อดอธิษฐาของการขาดสตินะ ในอังคุตตารนิกายปัญจกนิบาศนอนหลับก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์ฝันร้ายเห็นนิมิตที่ไม่ดีเทวดาไม่รักษาแล้วก็นอนก็เผลอเลยถ้าเป็นอา น, นิสงส์ของการไม่ขาดสติก็นอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเทวดาคุ้มครอง ตรงนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของสตินะจะมีสภาวธรรมค่อนข้างเยอะสตินีสติภละอารมณ์ของสติก็มีพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณพุทธาจนถึงอาณาปานาสตินะตายเวทนาจิตธราเป็นต้นเหล่านี้เป็นอารมณ์ของสติหมดเลยสรุปตรงนี้นี่พูดถึงในเรื่องของสตินะมีใครสงสัยอะไรก็เรื่องสติห ไม่มีแล้วนะไม่มีต่อ <c oughs> ทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาที่พูดถึงในเรื่องของสมตาและมัชิมาปฏิบัติทาเนี่ยที่บอกจะถามพวกเราก็คือว่าเอา้าถ้าดึงพรหมวิหารสีขึ้นมาเราจะปฏิบัติพรถ้าหากว่าอินสี่ห้าถ้ามีสติมาคอยกำกับระหว่าง ปัญญากับศรัทธาววรียกับสติใช่ไหมก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาด้วยเป็นดุญญภาพด้วยทีนี้ถ้าหากว่าพร้อมวิหารสี่แลเมตตากรุณามุทิตาและเวขาจะให้เป็นสมตาเป็นดุญญภาพเป็นมัชฌิมาปฏิปทายัางไงอะถามกว้างไว้ว่า ถ้าเจริญเมตตาพวกเรานี่เมตตาเจริญกันได้ระหว่างเมตตากรุณาเมตตาสามตัวเนี่ยตัวไหนเจริญได้คล่องกว่ากันอตัวไหนคล่องหรือไม่คล่องสักตัวเลยกรุณาได้คล่องกว่าใช่ไหมเมตตาได้ไหมมุทิตาแต่ก่อนไม่ได้ใช่ไหมพอยินดีกับคนอื่นไม่ค่อยได้ถ้า อ, อย่างเห็นคนเขาขวาดอยู่ เขาถูอยู่เงี้ยเรามองไปที่คนที่เขากาลังกวดอดเย็เนยเราจะเจริญธรรมะข้นอนนงอา้าวยอมลาเจียกนั่นน่ะเห็นคนเขาถูเราจะเจริญข้อนึงอาเมตตารักปรารถนาดีตอนนี้เขาปกติอยู่ไหมปกติยอมแอเจริญก่อนึงเนี่ยเขาถูอย่างนี้จะเจริญข้อนึง เจริญเมตตาเจริญว่าอันนี้เจริญเมตตาใช่ไหมอ่ะเจริญอุเบกหายังไงหลาอจัดโลกเป็นเวมกรรมเลยเนะี่ย เม้เจริญธรรมะหมดไหนในพมิหาราเห็นที่ก็กว่าดอยู่เมตตากรุณาโมทิตาเบกยขาจ ะ, จะเจริญข้อไหนเมตตาปรารถนาดีกครับเขาเจริญก้อไหนรักปรารถนาดีจเจริญก้อไหนจเจริญข้อไหนเมตตาจเจริญมุทิตาได้ไหม ได้ไหยทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยในขณะเนี้ย เราจเจริญเมตตาเดี๋ยวนี้ได้เลยไหมจเจริญมุทิตากรุณาได้ไหมจเจริญมุทิตาแล้วจเจริญเบวขาแต่และข้อในคนคนเดียวในขณนะที่เขาลังกวาดอยู่เนี้ยเราสามารถเดินเป็นทีละข้อละข้อเดียวนี้เลยได้ไหมได้ไม่ได้ไอ้นินต้องการจะที่เห็นว่าถ้าจเจริญตอนนี้เมตตาดูตอนเขาเป็นยังไงรักปรารถนาดีเขาใช่ไหมถ้าจเจริญกรุณา จะเรียนวิธีตาล่ะอันนี้ยังไม่บอกถูกผิดก่อนนะนี่ยังไม่ได้บอกถูกผิดนะอันนี้ถามความเห็นก่อนที่ที่พวกเราทำกันอยู่จริงๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดเลยนะเพียงแต่มองธรรมดาเท่านั้นเองในข้อเท็จริงของของความจริงของคนในโลกแบเนี้ยเราเห็นเขาก็ ไม่เคยคิดว่าเอาแล้วเราจะเจริญเมตตาแล้วก็ฝึกให้เกิดจริงๆกับคนคนนี้แล้วเจริญมุทิการุณาให้เกิดเจริญมุทิตาเวทเจริญอุเบกขาใช่ไหมโ ด, โดยโดยคนหนึ่งในขณะที่เขากาลังทํากิจกรรมเนี่ยใครเคยเจริญลำดับที่เราจะเดินพรมิหารของเราให้ครบกระบวนการอย่างนี้เพื่อปรับสมตาปรับดุลยภาพในใจใครเคยคิดแบบนี้ไหมกับคนคนหนึ่งในขณะที่เขาทากิจอย่างหนึ่งเคยได้ฝึกอย่างนี้หรือ ย, อยังหรือ ย, อยัง เคยฝึกแล้วใช่ไหมเอาแต่นี้เราเจริญมุทิตาเมื่อกี้จะเจริญยังไงนะเมื่อกี้เมื่อกี้กัลุณาแล้วใช่ไหมถ้าเจริญมุทิตาเอามุทิตาเจริญยังไง แล้วอุเบกขา เนีแล้วจะเห็นจะเห็นการที่ที่พูดมานี่ก็ก็ก็มีมุมนะมีมุมที่ว่าแต่ละคนก็เจริญที่ที่ความเข้าใจในการเจริญธรรมะของแต่ละบุคคลเนะี่ยหยิบแง่ใดแง่หนึ่งขึ้นม า, ม า, ม, ามาวิจัยไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่แต่แต่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลแค่ไหนอย่างไรก็จะสามารถเจริญได้ตามความรู้ความเข้าใจของคนคนนั้นแต่ว่า ที่ต้องการชี้เห็นคือว่าในคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเดินพรหมวิหารได้ครบและควรเดินให้ครบเหตุผลเพราะถ้าเราเดินพรหมวิหารไม่ครบเนี่ยมันจะเสียสมตาทันทีถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็เมตตาจริงอยู่ในยามเขาปกตินะ่ะเจริญเมตตาในยามที่เขาแย่ลงสุดลงจเจริญกรุณาในยามที่เขาเผิดปกติฝ่ายดีคือคือเขาได้ดีมีสุ ข, ข่คำพูดทิตา พยายามที่เราจะรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามก็เจริญอุเบกขาใช่ไหมเนี่ยเราสามารถที่จะปรารถนาดีเอื้อทอนนี้ได้คอยเขามีความสุขปราศจากความทุกข์ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นเหล่าเนี้ยและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเหนื่อยนะที่เขาปัดเขากวาดเขาเช็ดถดูเขาต้องใช้เรียวแรงใช้กำลังเขาเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเขาต้องใช้พลังในการทํางาน เขาอาจะมีความเครียดความกุ้มอะไรเยอะแยะหมดนะั่นในใจเขาถ้าจะวางท่าทีทางใจเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนี่ก็เดินกรุณาไนดะ้มุทิตามองในฐานะที่เขามาทําสถานที่ปฏิบัติธรรมทําให้สะอาดบูชาพระรธนนะแตา่อะไรก็แล้วแต่เนี้ย น, นี่เป็นมุทิตาถ้าด้านอุเบกขาก็เนี่ยเขากําลังฝึกกําลังทําเขาได้อะไรทักษะความรู้ความสามารถความชํานาญความเป็นระเบียบทั้งหลายเหล่านี้ เขาท้างเหตุอย่างนี้เขาก็ได้รับผลอย่างนี้เขาทํางานก็ก็ได้คุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากได้คุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่าตอบแทนอะไรก็ว่าไปนรืในขณะเดียวกันเขาอาจจะวางใจผิดบ้างถูกบ้างอะไรก็แล้วแต่ผลกรรมเขาต้องรับผลการการะทําของเขาเขาวางใจเป็นกลางในการกระทําเขาเนี่ยควรควรเดินพรหมิหารในทุกคนแบบนี้มันจะมีการปรับมันจะไม่เอียงถ้างั้นมันจะเอียงเลยนะ ถ้าเราด้านความรู้สึกอย่างเดียวคือเมตตากรุณาุมิตาเา็นด้านความรู้สึกปัญญาไม่ทํากิจบางทีจะเอาแต่อเวกขาอย่างเดียวเนี่ยเข้าๆเราจะกลายเป็นคนไร้น้ําใจเลยเี่ยอะไรก็เป็นกรรมของเขาอะไรก็เรื่องของเขาเนี่ยไปๆมาด้านจิตใจเราก็จะไม่ได้เพราะาอะไรการที่จะให้ดุลยภาพในใจเรามันต้องทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านปัญญาให้ได้ดุลกันเดินพรมิิหารข้อสุดท้ายมากเกินไปก็เอียงเอียงไปทางด้านของอะไรด้านปัญญา เดินมุธิตามากเกินไปก็จะเอียงอีกนะเอียงนี่อะไรก็จะพอยินดีเรื่อยเลยถ้าเดินกุกลุลนามากเกินไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอะไรก็โอ้โหสงสารเขาไปหมดถ้าเดินอุเบกขาเมตตามากเกินไปก็จะอะไรก็จะเมตตาเขาเมตตาเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ได้ดุลฉะนั้นตัวพรหมวิหารเนี่ยต้องปรับให้ได้ดุลให้ได้สมถามองเห็นหรือยังตอเนี้สำคัญไหมเนี่ยฉนั้นตรงนี้ก็ให้ให้ได้ดุลยภาพตรงนี้ให้ชัด ทีนี้พอเดินพรหมวิหารเนี่ยได้ดุลอย่างเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นมัชชิมาปฏิปทากลายเป็นสมตากลายเป็นดุลยภาพเป็นการเจริญกุศลไปนี่นี่เป็นอย่างนี้นะนี่คือเรียกความพอดีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพุทธศาสนาอีกคําเดี๋ยวคําว่ามัชชิมาปฏิปทายังต้องการยกตัวอื่นมาไหม ฉันทาวิริยะจิตตะปัญญาเห็นไหมว่าจะเป็นมชิมาปฏิบททยังไงฉันท่านี่ขับเน้นตัวไหนวิริยะจิตตะนี่กลุ่มสมาธินะปัญญาเป็นโดวดุลนตรงนี้ก็ไปสังเกตดูนะแม้แต่ด้านของสังหาวัตถุทานปิยาวาทาอัตตาจริยาและสมาณตตา พ่อชงเจ็ดเห็นพชงเจ็ไหมตัวสติเป็นตัวกํากับอีกเหมือนกันมันจะมีทั้งธรรมวิจยะอุรยิยะปีติปัสสติสมาธิอุเบกขาแล้วก็สติใช่ไหมสติสพหรัชงขึ้นก่อนนั้นตัวสติต้องเป็นตัวปรับดุลยภาพอีกเหมือนกัน วาระไหนควรเจริญธรรมวิจยาวิริยาปีติวาระไหนควรเจริญปัสสธิสมาธิเวขาไอ้ตรงเนี้ก็จะต้องใช้ตัวเนี่ยสติเป็นตัวกำกับในการคุมคุมคุมให้เป็นมัชิมาปิฎิบถามือนกันคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนในลักษณะแบบนี้ทีนี้ลักษณะอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าจะสอนในเรื่องของคําว่าสาระกับรูปแบบพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับสาระหรือรูปแบบ พภิธรรมศาสตร์สอนสองอย่างอย่างที่กล่าวว่าธรรมะกับวินัยเนาะหลักธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมและวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการลวกไปแห่งเราเอาล้มีสองส่วนนะส่วนธรรมะส่วนหนึ่งส่วนวินัยนั้นส่วนหนึ่งธรรมะนี่เป็นสาระหรือเป็นรูปแบบ วิ e: นัยที่เป็นสาระแลอเป็นรูปแบบอ้าวเข้าใจแล้วแต่ไม่ไม่แจกแจงแล้วนะหรือต้องให้แจกแจงวิ e: นัยเนี่ยเป็นเรื่องของระเบียบเป็นเรื่องของระเบียบเป็นเรื่องของกติากากฎบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นรูปแบบพิธีกรรมทั้งหลายเหล่านี้ข้อไอ้ข้อตกลงร่วมกันทั้งหลายเหล่านี้เป็นวิ e: นัยหมดเลยวินัยนปืนเปลือกอยู่ข้างนอก ช่วยห่อหุ้มตัวเนื้อธรรมะเขาไว้คือตัวสาระฉะนั้นธรรมะและวินัยทั้งสองอย่างเนี่ยจึงเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ใช่ไหมก็เหมือนกับคําว่าสมมุติสง์กับอริยสง์เหมือนกันเนีฉะนั้นธรรมะกับวินัยอิงอาศัยประสานสัมพันธ์กันมาก็จะเป็นเหตุทําให้หลักการคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองถ้าจะอาศัยแต่าสาระอย่างเดียวอยู่ไม่ได้อาศัยรูปแบบอย่างเดียวเข้าไม่ถึง เนะียตรงนี้เนะี่ยนไปดูในรายละเอียดที่จริงอยากจะพูดในเรื่องของในพุทธประวัติเนะียพวกเราอยากรู้เรื่องอะไรไหมในพุทธประวัติอยากรู้เรื่องอะไรฮะโอ้โหเยอะ <c oughs> อา้าวให้เบรกพักกันสักหน่อยกันสิบนาที